พวกเราเข้าหาพระพุทธศาสนานี้หาเพื่ออะไรอยากได้อะไรจากพระพุทธศาสนาไม่รู้<อ><อ>ความสงบถูกต้องออมาเพื่อหาความสงบสุขหามักผลนิพพานผลนิพพานคือความสงบสุขขั้นต่างๆ มีอยู่สี่ขั้นขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีขั้นอรหรันเเป็นความสงบขั้นต่างๆที่เกิดจากการกำจัดความโลภความอยากต่างๆให้น้อยลงไปตามลำดับความโลภความอยากน้อยลงไปเท่าไหร่ความสุขความสงบก็จะมีมากขึ้น ความโลภความอยากมากขึ้นเท่าไหร่ความสุขความสงบก็จะหายไปนั่นการที่เราจะได้ดังไปไหนนะการที่เราจะได้ผลเหล่านี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับความภาคเพียรผลของการปฏิบัติที่ไม่เกิดขึ้นจากความอยาก จะเกิดจากความภาคเพียรเรียกวิริยะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นต้องมีความเพียรและธรรที่เราต้องเพียรสร้างอันดับแรกที่สำคัญที่สุดก็คือสติเพราะว่าสตินี้เป็นธรรมที่เป็นพ่อแม่ของธรรมอย่างอื่นสมาธิจะเกิด ไม่ได้ถ้าไม่มีสติปัญญาจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิมันก็เป็นของที่สนับสนุนกันความสงบก็จะมาเกิดไม่ได้ถ้าไม่ไม่มีปัญญาความสงบที่ถาวรนี้ต้องใช้ปัญญาเป็นตัวทำลายความอยากความโลภต่างๆให้หมดไปจากใจ เห็นขั้นแลกความเพียรของเราจึงต้องเพียรที่สติเพียรสร้างสติขึ้นมาดึงใจให้กลับมาหาตัวเราตอนนี้ใจเราไปทุกที่ทุกแห่งไปกรุงเทพไปพัทยาไปเชียงใหม่ไปเมืองนอกเมืองนาไปหมดไปแล้วมันก็ลากล่างกายไปด้วยพอคิดถึงเมืองนอกเดี๋ยวก็ไปทำวีซ่า Visa, ไปทำพาสปอร์ต่น ไปตีตัวไปจองเครื่องบินแล้วก็ไปกันพอไปอยู่ที่เมืองนอกก็คิดถึงเมืองไทยกลับมาอีกก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่เนี่ยถูกความคิดมันหลอกคิดว่าอยู่ที่เมืองนอกแล้วมีความสุขอ้าวไปไปเมืองนอกกันพอไปอยู่เมืองนอกเพ้าะสุบานเราไม่ได้อยากจะกลับบ้านนะบ้านเราสุขกว่าแต่อยู่ที่ไหนก็ไม่สุขหรอก เพราะว่ามันสุกปลอมสุกเดียวเดียวสุกจริงนี่มันต้องสุขใจสุกสุกที่ความสงบจะสงบได้ก็ต้องหยุดคิดต้องดึงใจให้กลับเข้ามาอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ตรงนี้ตรงนี้แหละคือความสุขไม่มีที่ไหนจะสุขกว่าตรงนี้แล้วถ้าทำใจให้อยู่ตรงนี้ได้ตรงนี้แหละคือที่สุขที่สุด ไปที่อื่นไปกี่ที่ก็ไม่มีวันเจอความสุขไปแล้วมันก็จะหลอกให้เราไปที่อื่นต่อเราต้องดึงให้มันกลับมาให้อยู่ที่ตรงนี้ให้ได้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับร่างกายอยู่กับการไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยเฉยไม่ต้องอยากไม่ต้องโลกรูนี่คือหน้าที่ของสติ สติเราจะดึงใจให้กลับเข้ามาที่ตัวเราตอนนี้ใจมันไปรอบโลกเลยเพราะไม่มีสติเพราะเสอสติปล่อยให้คิดเพ้อฝันไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เดี๋ยวถ้าคิดถึงของก็เดี๋ยวเราต้องไปช้อปปิ้งกันคิดถึงอาหารเดี๋ยวก็ต้องไปหาร้านอาหารกินกันคิดถึงอะไรเดี๋ยวมันก็จะดึงเราไป หาสิ่งที่เราคิดถึงกันแล้วไปแล้วได้กลับไปแล้วได้อะไรกลับมาก็เหมือนเดิมกลับมาก็ยังอยากเหมือนเดิมยังโลภยังโลภเหมือนเดิมยังหิวเหมือนเดิมนี่ลักษณะของการไม่มีสติไม่มีสติควบคุมใจหยุดใจไม่ให้คิดให้รู้เฉยนะ ใจเรามีสองส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่ารู้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าคิดให้หยุดความคิดให้แล้วแล้วให้เหลือแต่ส่วนที่รู้ให้รู้เฉยๆก็พอรู้รู้แต่ไม่ต้องไปคิดกับเรื่องที่เรารู้เช่นรู้เสียงเสียงชมเสียงด่าก็ให้รู้เฉยๆอย่าไปตอบโต้กับเสียงที่ เราได้ยินเอได้ยินเสียงที่เขาด่าก็โตรธนี่ไม่ต้องรู้ต้องรู้เฉยๆรู้ว่าเขาด่ารู้ว่าเป็นเสียงด่าเสียงชมก็ไม่ต้องไปดีใจไม่ต้องไปขอบอกขับใจเขาบอกเขาว่าสวยหน่อยว่าขอบคุณค่า <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> เฉยๆใครก็จะพูดอะไรก็ปากของเขา ถ้าเราไปยินดียินร้ายกับปากของเขาเราก็จะวุ่นวายวันไหนเขาไม่พูดเขาพูดวันไหนเขาไม่ชมเราเราก็จะเสียใจวันไหนเขาตำหนิเราเขาว่าเราเราก็จะเสียใจแล้วเราจะไม่สงบจะไม่มีความสุขแต่ถ้าเราเฉยเฉยรู้เฉยเฉยใจเราจะสงบใจเราจะสบาย จะเฉยๆได้ก็ต้องมีสติเดินใจกลับเข้ามาหยุดความคิดหยุดความอยากหยุดการตอบโต้ใครเขาพูดอะไรใครเขาทำอะไรไม่ต้องไปตอบโต้รู้เฉยๆรู้ว่าเขาทำอย่างนี้รู้ว่าเขาพูดอย่างนี้ไม่ต้องไปตอบโต้เขาเขาจะดา่าเราก็ปล่อยเขาด่าไปเขาจะกล่าวหากล่าวหาเราก็ปล่อยเขากล่าวหาไป รู้เฉยๆรู้ว่าเขาพูดถูกหรือพูดผิดพูดถูกก็ก็ไปถ้าเขาพูดถูกเราก็แก้เสียถ้าเขาว่าเราไม่ดีเราทำตัวไม่ดีถ้าเป็นความจริงเราก็เปลี่ยนเสียเปลี่ยนให้มันดีถ้าเขาว่าเราไม่ดีแต่เราดีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนเราก็เฉยๆไปเท่านั้นเองสบายจะตายไห อยู่แบบนี้ไม่วุ่นวายแต่ใจเราไม่เฉยใจเราไม่นิ่งใจเราไปดีใจเสียใจกับการพูดของคนอื่นเขาพูดดีถึงแ ม, ม้จะไม่จริงก็ชอบก็ดีใจเขาว่าเราดีแต่เราไม่ดีตามที่เขาพูดเราก็ดีใจชอบใจ เราต้องฝึกสติถ้ามีสติแล้วใจเราจะเฉยได้ใ จ, จเราจะรู้เฉยๆเพราะเราจะหยุดความคิดได้พอเขาพูดแล้วเราก็ไม่คิดตอบนะปล่อยเข้าไปขี้เกียจคิดให้เหนื่อยเปล่าๆอย่าไปคิดว่าทำไมเขาต้องพูดอย่างนี้ทำไมเขาต้องพูดอย่างนั้นทำไมเขาต้องทาอย่างนี้คิดไปเสียเวลาจะไปทาไมก็เขาเป็นอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ อยู่ที่เราว่าเราเร า, เราจะทำไงกับเราดีกว่าไม่ทำไมกับเขาทำไมทาไมกับเราดีกว่าใจเราเฉยหรือเปล่าถ้าไม่เฉยก็ทำให้ใจเราเฉยดีกว่าถ้าทำใจเฉยแล้วมันจะสุขมันจะสบายถ้าไม่ทำให้ใจเฉยมันจะทุกข์มันจะวุ่นวายปัญหาของพวกเรานี่อยู่ที่การขาดสติ เราต้องมาเพียนสร้างสติกันวิธีสร้างสติก็คือต้องควบคุมบังคับไม่ให้มันคิดเช่นให้ใช้คำบริกรรมพุทธโธแทนความคิดมันจะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ให้พุทธโธพุทธโธไปแทนนอกจากคิดเรื่องที่จาเป็นจะต้องคิดก็คิดได้เช่นเราต้องทาอะไรบ้างตอนนี้กี่โมง ถึงเวลาทำอะไรถึงเวลาอาบน้ำกะไปอาบถึงเวลากินก็ไปกินคิดแบบนี้ไม่เป็นไรอย่าไปคิดให้มันไกลตัวเราอย่าไปคิดที่คิดถึงเชียงใหม่คิดถึงกรุงเทพคิดถึงขนมคิดถึงอะไรที่มันไกลไปที่ไม่จำเป็นอย่าต้องคิดอย่าไปคิดใจพุทโธ คิดพุทโธแทนออยู่ใหม่ๆจะให้มันหยุดคิดมันไม่ยอมหยุดคิดดังนั้นก็ให้มันคิดพุทโธแทนหรือคิดบทสวดมนต์แทนคิดบทสวดมนต์อิติปิโสภควาอัลหังสัมมาสัมพุทโธหรือถ้าถ้าเก่งถ้าไปไกลก็อยากจะคิดถึงอาการของร่างกายก็ได้เราเราไม่เห็นกัน เห็นแต่ผมขนและฟันหนังน่นไม่เห็นเนื้อไม่เห็นเอ็นไม่เห็นกระดูกไม่เห็นเยื่อในกระดูกไม่เห็นม้าไม่เห็นไม่เห็นม้าไม่เห็นหัวใจไม่เห็นตับไม่เห็นไม่เห็นตายไม่เห็นปอดไม่เห็นลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะ น้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันค้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อน้ำมูดเนี่ยมีอยู่ในตัวเราถ้าจะคิดคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้แล้วจะทำให้เราหูตาสว่างจะเห็นร่างกายนี้เป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยจะเห็นว่าร่างกายนี้ ไม่ได้าดูหน้าชมเลยถ้ามองเข้าไปข้างในใต้ผิวหนังแล้เห็นโครงกระดูกเห็นกระโหลกศีรษะเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้เห็นหัวใจเห็นของสกรปรกทั้งหลายที่ที่เร า, เาหลังออกมาน้ำเหงือ่อน้ำตาน้ำลายน้ำมูก น้ำปัสสาวถ้าจะคิดให้คิดเรื่องราวเหล่านี้เรารับรองได้ว่าปัญญาจะเกิดจะหายลหลงไหลข้างใครกับคนลหลงไหลข้างใคกับดาราภาพยนตร์นายแบบนางแบบลหลงไหลข้างใคกับร่างกายของเรา จะไรไม่ต้องมาเ น, นื่อยคอยเสริมความงามอยู่ด้วยทำเเผาทำผมทำคิว้วทำตาทำจมูกทำฟันทำ <c oughs> ทำปาก <c oughs> ทำแล้วเดี๋ยวก็ล้างทิ้งหมดเวลาอาบน้ำทีก็ล้างทิ้งหมดแล้วเดี๋ยวก็มาทำใหม่เอาเวลามาทำอย่างอื่นดีกว่าเอาเวลามาทำใจ ทำใจให้เฉยๆถ้าดูดีๆเราจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราลองลองค้นหาตัวเราที่อยู่ตรงไหนที่เราบอกว่าเราเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงผมหรือเปล่าอยู่ตรงขนหรือเปล่าเวลาโกนผมไปผมหายไปเราหายไปหรือเปล่าเวลาตัดเล็บไปเราหายไปกับเล็บหรือเปล่า อาการทั้งต่างๆที่มีในร่างกายนี้ไม่มีตัวเราอยู่เลย <Yeah. S 1> เป็นอาการของมัน <Yeah. S 1> เป็นผมผมก็เป็นผมนึนไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นของเราหนังเนื้อเอ็นกระดูก <Yeah. S 1> กระดูกนี่เป็นของเราอ่ะ <Yeah. S 1> เวลาเวลาตายไปเนี่ ย, ยกระดูกมันเป็นของใครบ้างไม่มีใครมา เ, มเป็นเจ้าของอ่ะ ถ้าดูเรื่อยๆคิดเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของสับเปลือเดี๋ยวก็ยกให้สับเปลือไปทุกคนเขียนพี่นายกรรมไว้นะว่าเวลาฉันตายไปยกให้สับเปลือพ่อแม่ไม่มีใครอยากได้แารก็ไม่อยากได้พ่อแม่ก็ไม่อยากได้พี่น้องก็ไม่อยากได้ลูกก็ไม่อยากได้ เราเลยต้องยกให้สับเล่าแต่ของที่อื่เขาอยากได้เงินของเราเขาอยากได้กันเงินทองบ้านช่องรถยนต์นี่แย่งกันเวลาเราตายแต่ร่างกายเรากับไม่แย่งกันเลยรักเราขนาดไหนก็ไม่สู้รักบ้านไม่ได้รักเงินไม่ได้เนี่ยพิสูจน์แล้วว่าเขาไม่รักเราหรอกใช่ไหมถ้าเขารักเขาก็ต้องเก็บเราไว้ต้องดองไว้ในตู้อย่างนี้เออ <laughs> ไม่เอาแล้วเอาบ้านเอาเงินทองของเราดีกว่าเราไปยังไม่เอาร่างกายของเราเลยเวลาร่างกายไม่หายใจเราก็ทิ้งมันละเราก็ไปละ <c oughs> เราเป็นผู้รู้ผู้คิดพอร่างกายมันหมดนมหายใจเราก็ใช้งานมันไม่ได้ เราก็ต้องทิ้งมันไปเพื่อเราจะได้ไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อเราจะได้ทำอะไรต่างๆได้นี่คือตามสบายวันนี้ได้ร่างอาการ32ไปแล้วพอแล้วอย่าลืมนะอาการ32อยู่กับเรานะ เรื่องเมื่อเปล่ปาการสามที่สองคิดถึงมันหรือเปล่าการคิดถึงมันหรือเปล่าวันนี้คิดถึงอาการสามที่สองยังยังเลยวันนี้สองหน้าดูกระจกเห็นกระโหลกก็ยังยังไม่เ <laughs> มอยอมเห็นนะ <laughs> ของไกลกับไม่เห็นชอบไปเห็นของไก่เฉีย <laughs> งใหม่กรุงเทพไม่เห็นหมดเลย <laughs> พอของใกล้ตัวกับมองไม่เห็นเพราะไม่เคยมองไม่ยอมมองชอบมองของใกล้ตัวมองดารามองได้แบบมองนั่งแบบแต่ของใกล้ตัวเรากับมองไม่เห็นกันล้วหนงไปเมาว่าเป็นของเราเป็นตัวเราทั้งๆ ท, ที่มันไม่ใช่ตัวเราของเรา มองบ่อยๆลองคิดบ่อยๆถ้าจะคิดให้คิดเรื่องอย่างนี้เป็นประโยชน์คิดว่ามันไม่เที่ยงคิดว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วมันจะทาให้เราโปรงได้วางได้ปล่อยได้เราตอนนี้แบกมันอยู่แบกร่างกายเพราะเราคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราเราเลยรักเราห่วงห่วงใ่ กังวลหวาดกลัวกับภัยต่างๆที่มาจะมาทำร้ายร่างกายทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเลยแต่พอเราหลงเราไม่รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็เลยหวาดวิตกกังวลกับเรื่องของร่างกายกังวลอย่างไรวิตกอย่างไรมันก็หลีไม่พ้น หนีไม่พ้นความแก่หนีไม่พ้นความเจ็บหนีไม่พ้นความตายเนี่ยอ้มองให้ดีมองให้เห็นว่ามันไม่เที่ยง <Yeah. S 1> ตั้งแต่มันออกมาจากท้องแม่นี่มันมันเหมือนมันอยู่อย่างนั้นหรือเปล่า <Yeah. S 1> ออกมาจากท้องแม่มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆวันลนิดวันละหน่อย <Yeah. S 1> ออกมาเดือนหนึ่งก็เปลี่ยนละสองเดือนก็เปลี่ยนละสามเดือนก็เปลี่ยนล เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดการเปลี่ยนแปลงนี้มีเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ไม่หยุดเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างนี้ถ่ายรูปไว้ดูเส่เดี๋ยวสิบปีกลับมาดูใหม่โอ้ยเป็นคนละคนละมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกล่ามันจะสลายหายไปหมดนะจนกว่ามันจะแยกทางกันไปจนกล่าดินน้ำลมไป มันจะแยกกันไปร่างกายนี้มันจะสลายกลายเป็นดินน้ำลงไฟไปคิดอย่างนี้แล้วจะทำให้ใจเราเย็นใจเราสุขใจเราสบายใจเราจะไม่ทุกข์กับร่างกายแต่ต้องคิดบ่อยๆคิดเรื่อยๆสลับกับพุทธโธบ้างก็ได้ถ้าเบื่ออาการเฉาสิสองก็กลับมาพุทธโธ เบื่อพุทธโธก็กลับมาสวดอิติปิโสเบื่อสวดก็มาดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกนั่งเฉยๆนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกไปเรื่อยๆทําอย่างนี้ได้ทั้งวันเดี๋ยวเดี๋ยก็สบายเดี๋ยวเดี๋ยก็ร้องอ๋ออ๋อร่างกายนี้ไม่เที่ยงอ๋อร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราอ๋อเราทุกขเราแบกร่างกาย พอเราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเราเป็นตัวรู้ตัวคิดพอเราแก้ความคิดที่ผิดให้เป็นความคิดที่ถูกมันก็ล้องออกขึ้นมาตอนนี้เราคิดว่ามันเป็นตัวเราเป็นของเรามันเที่ยงมันจะต้องอยู่ไปตราบนิรันดรมันจะไม่มีวันตายจากเราไปมันจะเป็นของเราไปตลอด แต่มันจะต้องมาเจอวันหนึ่งที่มันจะไม่เป็นของเราเวันนั้นจะรูะ้สึกอย่างไรถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนสอนใจไว้ก่อนถ้าเราสอนใจเตรียมใจไว้เวลาถึงวันนั้นเอาไปสิไม่ใช่ของเรายืมเข้ามาเหมือนของที่เราไปยืมเข้ามาถ้าเราไม่ลืมเราก็จะไม่ห่วงแต่ต้องคนชอบลืมยืมของเขาแล้วลืมเก็บไว้เลยพอเจ้าของมาทวงก็ไม่ยอมให้ ดยให้ด้วยความเสียดายให้ด้วยความเสียใจพออยากจะเก็บเอาไว้เป็นของเราเราต้องคอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้มันไม่ได้เป็นของเราเป็นของที่เรายืมมาทั้งนั้นยืมมาจากดินน้ำลมไฟของทุกอย่างนี่ทำมาจากดินน้ำลมไฟ ร่างกายนี้ก็ทำมาจากดินน้ำลมไฟเงินทองข้าวขอ ง, งต่างๆก็ทำมาจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยวก็ต้องคืนดินน้ำลมไฟไปแม้คนที่มาเกิดก่อนเรามาอยู่ในยุคสมัยกรุงศรียุคอะไรนี่หายไปไหนหมดละมีใครอยู่ถึงปัจจุบันนี้ั้ยไม่มีใครอยู่ปู่ย่าตาทวดเราหายไปไหนหมดละ เราไปหมดแล้วแล้วเราไม่ไปกับเขาเลยเราก็ต้องไปเหมือนกันนะเดี๋ยวถึงเวลาเราก็ไปแล้วเราอะไรไปได้ปะล้วก็อะไรไปไม่ได้เอาสิ่งที่เราไปได้เราก็ไม่รู้สิ่งที่เราไปได้ก็คือความสุขหรือความทุกข์ความหลงหรือความความรู้ความอยากหรือความไม่อยาก ความโลภด้วยความไม่โลภเนี่ยอันนี้นี่คือเป็นสิ่งที่เราเอาไปได้ถ้าพระพุทธเจ้าท่านก็เอาเอ า, เอาความไม่โลภไปเอาความไม่โกรธไปเอาความไม่หลงไปท่านก็เลยไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่ถ้าเอาความหลงไปก็จะกลับมาเอาร่างกายอันใหม่หลงว่ามีร่างกายแล้วดี มีร่างกายแล้วจะได้ทำอะไรต่างๆได้เหมือนที่เคยทำ เ, ออเวลาไม่มีร่างกายหรือว่าเวลาร่างกายไม่สบายนี้ทุกไหมออไม่สบายทำอะไรไม่ได้เออพอมีความอยากใช้ร่างกายแต่ถ้าเราเลิกเราหยุดความอยากใช้ร่างกายได้ออมีแลอไม่มีร่างกายก็ไม่สาคัญไม่เดือดร้อน เราเนยต้องมาฝึกให้ใจเราอยู่เฉยๆเลือกใช้ร่างกายใช้สติแทนใช้สติหยุดความคิดอพอคิดถึงอะไรแล้วก็สั่งให้ร่างกายไปหาสิ่งที่คิดแหะแต่พอไม่คิดมันก็ไม่ต้องสั่งให้ร่างกายไปเอาสิ่งที่คิดนต่อไปก็ไม่ต้องเอาอะไรไม่ต้องมีอะไรมีแต่ความสงบอย่างเดียวพอ มีความสงบแล้วมีความสุขลองพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆตั้งแต่แต่งขึ้นมาสลับกับการเฝ้าดูร่างกายก็ได้ให้อยู่กับร่างกายถ้าไม่พุทโธก็ดูว่าตอนนี้กำลังทำอะไรกำลังแปลงฟันก็อยู่กับการแปลงฟันไปอย่าไปอยู่ที่กรุงเทพยอย่าไปอยู่เชียงใหม่อยู่ไปอย่าไปอยู่ที่อดีตที่ผ่านมาแล้ว ไปอยู่ที่อนาคตที่ยังมาไม่ถึงอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันก็อยู่กับร่างกายกำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินกำลังรับประทานอาหารใกล้อยู่กับการรับประทานอาหารกำลังทำงานก็อยู่กับการทำงานกำลังคิดบัญชีให้อยู่กับการคิดบัญชีบวกลบคูณหารไปทำบัญชีไป อย่าทำไปแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเดี๋ยวทำบัญชีผิดไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวแทนที่จะบวกกับใบลบเดี๋ยวงงไอ้ทาไมทาไมได้เงินมากกว่าได้กําไรมากกว่าก็บวกผิดเอารายจ่ายม า, สายใส่เป็นรายลายับไปมันก็เลยมีรายรับมากกว่าลายจ่าย ถ้าถ้าไม่มีสติมันผิดได้นะมันไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วมันก็ใจมันก็แตกเป็นสองใจหนึ่งก็ทำบัญชีใจหนึ่งก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ <c oughs> ก็เลยบางทีทำแบบผิดผิ ด, ผดถูกๆูะถ้าเราต้องการให้ใจเราว่างใจเราสงบเนีเราต้องมีสติหยุดความคิดให้ได้อันนี้เป็นการ้าสร้างสติในขณะที่เรา ต้องทำอะไรต่างๆพอเราไม่ต้องทำอะไรก็มานั่งแล้วก็ฝึกสติถ้าเรานั่งก็มีทางเลือกดูลมหายใจก็ได้หรือจะบริกรรมพุทโธก็ได้หรือจะปกนกันก็ได้พุทเข้าโธออกก็ได้หรือเอาบริกรรมพุทโธอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องดูลมหรือจะดูลมอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องพุทโธ เราก็นั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆอย่าไปขยับร่างกายร่างกายมันจะคันตรงนั้นคันตรงนี้ก็ท่างมันอย่าไปสนใจให้อยู่กับคำบริกรรมไปให้อยู่กับลมหายใจไปแล้วใจมันจะเข้าสู่ความสงบไปตามลาดับพอมันเข้าถึงขั้นสุดท้ายมันก็จะเหมือนวุบลงไปเราก็นิ่งเฉยเบาสบายใจสุขใจขึ้นมาตอนนั้นไม่ต้องทำอะไร ตอนนั้นอย่าคิดอย่าไปดึงมันมาคิดให้มันนิ่งตอนนั้นความคิดจะหายไปหรือแต่หรือแต่ตัวรู้ความรู้รู้แต่รู้อย่างเดียวสัตว์แต่ว่ารู้บางทียังได้ยินเสียงแต่ก็ไม่สนใจกับเสียงที่ได้ยินบางทียังรู้ว่าเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ก็ไม่สนใจไม่เดือดร้อนกับการเจ็บเรียกว่าใจเป็นอุเบกขา ใจเข้าสู่ที่ว่างเปล่าที่เฉยไม่มีการตอบโต้ไม่มีปฏิกิริยาไม่มีอารมณ์กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าลงลกึกกว่านั้นบางทีร่างกายก็หายไปเลยรูปเสียงกลิ่นรสก็หายไปเลยเหมือนลอยอยู่ในอวากาศอยู่ในความว่างอยู่กับความอยู่กับตัวรู้ตัวเดียว ถ้ามันอยู่อย่างนั้นก็อย่าไปทำอะไรยังไม่ใช่เวลาที่จะมาฝึกปัญญาเวลานั้นให้อยู่ให้มันนิ่งเฉยๆไปนานๆถ้ามันถึงจุดท่านจริงๆมันก็ไม่อยากจะออกเพราะมันสุขมันสบายเบาอกเบาใจเหมือนยกภูเขาออกจากอกเวลาที่เราไม่ได้เข้าไปในสมาธิเราเหมือนแบกภูเขาอยู่แบกเรื่องนั้นแบกเรื่องนี้แบกสิ่งนั้นแบกสิ่งนี้ อะไรก็มีคำว่าหนัก อ, อกหนักใจใช่ไหมหนัก อ, อกหนักใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ความจริงของเรานั้นถึงแม้มันจะใหญ่ขนาดไหนมันไม่หนัก อ, อกถ้าเราไม่ไปแบกมันอภูเขารุภกเขาลูกงเบื้อเริ่มเลยมันไม่หนักกับเราเลยใช่ไหมถ้าเราไม่ไปแบกมันแต่ถ้าเราไปแบกมันปั๊บมันหนักขึ้นมาเลยแบกก็ความอยาก อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้พอเขาไม่ทําตามความอยากเราเราก็หนัก อ, อกหนักใจขึ้นมาแต่เราถ้าเราอยู่ในสมาธิตอนนั้นความหนัก อ, อกหนักใจนี้จะหายไปหมดใจจะเบาเหมือนลอยอยู่ในอวากาศอยู่ในความว่างเปล่าแต่ไม่ได้เป็นความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเป็นความว่างที่สุข มหัสจัรใจเป็นความสุขที่มหสาสจัญใจเป็นความสุขที่ไม่อยากจะอยากจะหายอยากไม่อยากจะให้มันหายไปแต่กําลังของสติก็มีไม่ได้นานอยู่ได้พักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาใหม่นี่อยู่ได้ปป๊บเดียวเหมือนเข้าไปปุ๊บก็ได้งออกมาแต่ก็พอจะรู้สึกความรู้สึกถึงความสุขความเบา อ, อกเบาใจ ก็่าทำให้ติดอกติดใจอยากจะกลับเข้าไปให ม, ใหม่ทีนี้ไม่อยากได้อะไรแล้วอยากได้ความสุขแบบนี้ดีกว่าอยากได้ความสงบ <c oughs> ออกมาก็กลับไปพุโทโธใหม่กลับไปนึ่งดูเฝ้าดูร่างกายใหม่ไปหยุดความคิดหม่อย่าปล่อยให้มันคิดถ้ามันอยากก็ลองหัดใช้ปัญญาดู ว่าสิ่งที่เราอยากได้มันไม่เที่ยงได้มาล่าเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปพอหมดไปความสุขที่ได้จากสิ่งที่เราได้มาก็หายไปความทุกข์ก็จะกลับเข้ามาแทนที่การไปทําตามความอยากต่างๆนี้เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการไปหาความสุขกลับมาอยู่ที่ ความไม่อยากดีกว่าหยุดความอยากดีกว่าพอหยุดความอยากได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปความสบายใจก็จะเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิความเบาอกเบาใจก็โผล่ขึ้นมาความหนักอกหนักใจที่เกิดจากความอยากก็หายไปถ้าเราไม่ทำตามความอยากเดี๋ยวความอยากมันก็หมดกำลังพอหมดความกาลังแล้วความหนักอกหนักใจ ก็หายไปความเบา อ, อกเบาใจก็กลับมาเราต้องเห็นสิ่งที่เราอยากว่าเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นของเราไปตลอดทุกข์ไม่เวลาแฟนเราไปเป็นของคนอื่นเนี่ยเวลามีแฟนแล้วแฟนเราไปเป็นแฟนของคนอื่นนี่ทุกข์ไหมนั่นแหละคิดดูแล้วมีอะไรรับประกันว่าแฟนเราจะเป็นแฟนเราไปตลอด วันนี้คนดีเข า, าอาจจะไปมีแฟนใหม่ก็ได้อคิดอย่างนี้แนละ้ะมันจะได้ไม่กล้ามีแฟนไม่อยากจะมีแฟนมีแล้วทุกคุยทำไมมันไม่คิดกันก่อนนะมันคิดว่าพอได้แฟนแล้วจะสุขไปตลอดเหมือนหนังพอไปเอกเจอนางเอกก็จะสุขกันไปตลอดแต่พอไปเปิดภาคสองดูอาตีกันแลนะ้ว เรามันชอบมองโลกในแง่ดีไม่ยอมมองโลกในแง่ร้ายกันพอเจอของไม่ดีก็เลยทำใจไม่ได้แต่ถ้าเรามองโลกในแง่ไร้ายไว้ก่อนน ะ, ะเขาก็อาจจะต้องเลิกกับเราเนะอาจจะต้องหย่า ก, กับเราอาจจะทิ้งเราเนะถ้าคิดอย่างนี้เผื่อไว้ก่อน เวลาเขาไปก็เราก็จะได้ทำใจได้เพราะเราไม่หลงไปยึดไปติดกับเข า, เารู้ว่าเขาจะต้องไปจากเราสักวันใดวันหนึ่งเหมือนกับเป็นของยืมเข้าม า, ายืมคนนี้ยืมแฟนมาเดี๋ยวคนเจ้าของเขาจะมาขอคืนก็คืนเข้าไปเราก็าจะไม่ทุกข์พยายามมองให้เห็นว่าทุกอย่างที่เราได้เรามีมาเนี่ยมันเป็นของชั่วคราว ร่างกายก็เป็นของชั่วคราวร่างกายเราก็ยืมมาจากดินน้ำลมไฟผ่านทางพ่อแม่พ่อแม่เป็นคนส่งเป็นคนส่งร่างกายมาให้เราแต่พ่อแม่ก็เอาเอาร่างกายนี้มาจากดินน้ำลมไฟพ่อแม่เราเป็นเหมือนคนส่งร่างกายนี้มาให้กับเราเราเดี๋ยวร่างกายนี้ก็กลับไปหาดินน้ำลมไฟต่อ นั้นสรุปแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างถ้ามีมากก็เสียมากมีน้อยก็เสียน้อยไม่มีก็ไม่เสียเลยพยายามมีให้น้อยเราจะเสียน้อยจะทุกน้อยมีมากจะทุกมากจะเสียมากมีล้านกับมีร้อยหนึ่งเนี่ยเป็นลาเสียเนี่ยเสียล้านหนึ่งก็เสียน้อยหนึ่งเนียอันไหน จะดีกว่ากันเสียร้อยเดียวกับเสียล้านอย่านีมีมากแล้วก็ต้องเสียมากเพราะของทุกอย่างไม่ได้เป็นของเราเป็นของยืมเข้ามาต้องใช้เข้าไปต้องคืนเข้าไปถ้าเรายินดีคืนเราแทานที่จะทุกข์เรากลับได้ความสุขแต่วันนี้โยมมาเสียกี่ทางเนี่ยอันนี้ก็เสียแต่เสียด้วยความสุขว่ะ เสียด้วยความยินดีเสียแบบนี้เรียกว่าเสียเสียเสียแบบฉลาดเนพราะรู้ว่าไม่เป็นของเราเก็บไว้เดี๋ยวก็ต้องเข้ามายึดไปอยู่ดีงนั้นก่อนที่เขาจะมายึดไปเอาไปทําบุญดีกว่าอเสียแบบทําบุญดีกว่าเสียแบบทำบุญแล้วได้ไ ด, ได้ความสุขได้กําไรได้บุญติดตัวไปได้ความสุขติดตัวไปได้ความไม่หวงติดตัวไป ไม่หวงเงินที่ทุกข์กันเพราะหวงเวลาเสียเงินไปแล้วทุกข์นี่แสะดงหวงแต่เวลาเสียแล้วสุขนี่แสดงว่าไม่หวงเวลาทาบุญนี้เราเสียเงินนี้เราเราทุกข์ไหมหรือเราสุขเราสุขเพราะเราไม่หวงไงแต่ถ้าใครมาขโมยเงินยืมเงินเราไปแล้วไม่คืนเงินแล้วนี่ยทุกข์ไห มันก็เสียเหมือนกันนะใช่ไหมทำไมเสียแบบทุกข์ทำไมทำไมไม่เสียแบบสุขไปคิดว่าเป็นการทําบุญไปก็แล้วกันอทําถ้ามันจะกลับมามันก็กลับมาเองแหละถ้ามันไม่กลับมามันก็ไม่กลับมาแล้วเราไปทุกข์กับมันทําไมไปคิดว่าเป็นการทําบุญไปเดี๋ยวถ้ามันกลับมาก็แสดงว่าเออมันเป็นของเราเข้ามาคืนเราเออ เราก็ได้กำไรสองต่อเวลาเสียก็ได้ความสุขเวลาเข้ามาคืนก็ได้ความสุขอกีกฮะสุขทั้งได้สุขทั้งเสียอย่างนี้ไม่ดีกว่าเห้อนี่คือเรื่องของจิตใจของเราที่เราต้องมาฝึกฝนอบรมให้จิตใจมีความสงบมีความสุขเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเนี่ย สอนให้เรามีความสุขใจสอนให้เราไม่มีความทุกข์ใจพราะความสุขความทุกข์ใจนี้ไม่ได้เกิดจากใครเลยเกิดจากเราเองหรืเราเป็นคนทําให้ใจเราทุกเราเป็นคนทําให้ใจเราสุขด้วยความคิดของเราแล้วเราต้องมาควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้แล้วสั่งให้ใจคิดไปในทางที่ทําให้เราสุขเช่นสั่งให้ไปทําบุญเนี่ย เสียเงินแล้วกับมีความสุขะคิดแบบนี้ถ้าเราคิดว่ามันไม่ได้เป็นของเรานี่เราก็จะไม่หวงไม่หวงถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าพรุ่งนี้เราจะตายนี่วันนี้เรามีอะไรซื้อมันให้หมดเลยอยากจะได้อะไรใช้มันให้หมดเลยอยากจะทําบุญที่ไหนอยากจะไปใช้อะไรใช้มันให้เต็มที่เลยแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหย ถ้าไม่ตายก็ต้องรู้ว่าต้องตายเลยอันนี้พูดสมมติกันสมมติกันก็คนเวลาไปหาหมอหมอบอกว่าเหลืออีกสาเดือนเนี่ยเออตอนนั้นเราทาบุญเงินใหญ่เลยนะใช่ไหมเออตอนนั้ น, นทําบุญตามเขียนเตรียมตัวเขียนพินัยกรรมกันวุ่นไปหมดแล้วอบ้านนี้จะให้ใครดีรถจะให้ใครดี แต่ถ้ายังหมอไปยังบอกว่ายังไม่เป็นอะไรนี่โอ้ยยังไม่ยอมเชยนพี่นาเก่ายังห่วงอยู่นะให้เราเลือกถึงความตายบ่อยๆว่าไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะตายเวลาไหนความตายนี่มันมาได้หลายรูปแบบมันไม่เจ็บตายมันมันไม่แก่ตายมันก็ตายแบบอื่นได้ ความตายมาได้หลายรูปแบบด้วยกันเดินลื่นล้มหกล้มหัวฟาดพื้นตายไปก็มีเดินไปถูกเขายิงตายก็มีจนมาปนบ้านโดนโยนปนฆ่าตายโดนโจนฆ่าตายก็มีมันตายได้หลายรูปแบบด้วยกันไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะตายวันไหนเราคิดเสียว่ามันอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้ แล้วเราจะได้ตรงได้ปล่อยได้วางได้แล้วเราจะไม่ทุกข์กับอะไรแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะต้องอยู่ไปเรื่อยๆอย่างนี้พอเกิดต้องตายแบบฉุกเฉินขึ้นมานี่ทาใจไม่ได้ต้องหัดทําใจตลอดเวลายอมตายตลอดเวลาแล้วเราจะไม่ทุกข์อยู่ก็ไม่กังวลกับความเป็นความตายของร่างกาย พอเรายอมตายแล้วถ้ายอมตายได้แล้วสบายแต่่จะยอมจริงหรือไม่ยอมจริงก็ยังไม่รู้ปากอาจะบอกว่ายอมพอเวลาเจอของจริงขึ้นมาใจอาจจะสั่นก็ได้เออก็ต้องไปพิสูจน์ดูต้องไปหาที่ไหนมันน่ากลัวดูที่ไหนที่มันเสียงเป็นเสียงตายดูดูสิว่ายอมจริงหรือเปล่า ถ้ายอมจริงแล้วใจจะไม่สั่นใจจะไม่กลัวใจจะเฉยอันนั้นถึงจะรู้จริงว่ายอมจริงหรือไม่ยอมจริงถ้าตอนนี้ตอนนี้พูดว่าผมฉันไม่กลัวตายละฉันยอมตายใครๆก็พูดได้ตอนนี้แต่ถึงเวลานี้มันจะทำใจได้หรือเปล่าถ้าอยากจะรู้ก็ต้องไปพิสูจน์ดู พระที่ไปอยู่ในป่าไปทุดงรงกันในป่าไปหาที่อันตรายเสียงภัยต่างๆนี้ก็เพื่อจะดูว่าใจยอมตายหรือเปล่าส่วนมาตั้งแต่บวชแล้วว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ดูสิว่ายอมตะ ย, ยอมตายจริงหรือเปล่าถ้ายอมได้แล้วมันจะหายกลัวหมดเลยความกลัวต่างๆจะไม่มีอยู่ในใจต่อไป กลัวไม่กลัวอดยาขาดแคลนไม่กลัวเจ็บไข้ได้ป่วยไม่กลัวความตายอันนี้คือสิ่งที่เราต้องปฏิบัติกันการที่เราจะทําใจได้เราต้องมีสติหยุดความคิดให้ได้หยุดความกลัวตายให้ได้เวลาเกิดความกลัวตายขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเลยถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวความกลัวตายก็หายไป ใจก็สบายใจก็จะรู้ว่าความกลัวตายเกิดจากความคิดของเราเองคิดไม่ยอมตายคิดอยากจะอยู่มันก็ทาให้เรากลัวตายกันแต่พอเราหยุดความคิดอยากจะอยู่คิดความอยากไม่ตายนะไม่ตายได้มันก็หายกลัวอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเอาพุโทโธไปสวดมนต์ไป แล้วใจก็จะหายกลัวใจก็จะเบาใจจะสบายใจจะสงบใจจะมีความสุขร่างกายจะตายก็ไม่เป็นปัญหาเลยใจสุขเหมือนเดิมความสุขของใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นความตายของร่างกายขึ้นอยู่กับการมีสติหรอไม่มีสติการมีปัญญาหรือไม่มีปัญญา ถ้ามีสติมีปรรัญญายอมรับความตายรู้ว่าร่างกายต้องตายมีสติหยุดความไม่อยากตายได้ให้ยอมตายได้บังคับใจให้ยอมตายได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับความตายเราต้องมาฝึกสติกันความเพียรที่ให้เพียร น, นี่ก็ให้เพียรสร้างสติตั้งแต่เติ่ขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไป อย่าคไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าส่งใจไปที่อื่นให้อยู่กับที่ร่างกายอยู่ที่งานที่เรากำลังทำอยู่อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายต่างๆแล้วใจจะเบาใจจะสบายใจจะว่างพอไม่ไ้คิดเรื่องต่างๆถ้าคิดแล้วมันจะหนักอกหนักใจถ้าไม่คิดแล้วเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจแล้วพอไม่ต้องทำอะไรก็นั่งเฉย อย่าไปหาอะไรทาอย่าไปอย่าไปเกาในที่มันไม่ขันที่มันขันก็เกอที่มันอยู่เฉยเฉยไม่ได้ให้มันอยู่เฉยเฉยให้ได้ถ้าอยู่เฉยเฉยได้แล้วมันจะหายขันอนนี้มันอยู่เฉยเฉยไม่ได้มันต้องไปทำนู่นทำนี่มันถึงจะหายขันแต่ทำเท่าไหร่มันก็ไม่หายเพราะมันไปทาไปเกาผิดที่ ที่มันคันมันอยู่ตรงที่มันอยู่เฉยๆไม่ได้ทาให้มันอยู่เฉยๆให้ได้โดยการนั่งสมาธิไปพุโทโธพุโทโธไปดูลมหายใจไปเดี๋ยวพอมันสงบมันก็อยู่เฉยๆได้แล้วต่อไปจะไม่คันจะไม่อยากไปทำนู่นทานี่ไม่อยากจะไปดูนั่นดูนี่ไปฟังนู่นฟังนี่อยู่เฉยๆก็มีความสุขกว่าไปฟังให้เหนื่อยทาไม ไปดูให้เหนื่อยทำไมความสุขที่ได้จากการไปฟังไปดูนี่สู้กับความสุขที่อยู่เฉยๆไม่ได้นะต้องเพียรพยายามนะคนอื่นทําให้เราไม่ได้เราต้องทําเองเราต้องฝึกสติเองขอให้เชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านก็เหมือนเราต่อต้นท่านก็ไม่มีสติสตัง แตท่านก็พยายามเพียรสร้างสติขึ้นมาสร้างปัญญาขึ้นมาพอท่านได้สติท่านได้ปัญญาท่านก็ได้มากผล น, ผนิพพานด้ความสงบดนความสงบ ใ, ในความสิ้นสุดแห่งการการเกิดแก่เจ็บตายของการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมากลับมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเราก็จะได้ผลเช่นเดียวกันถ้าเรามีความเพียร เพลียนสร้างสติสร้างปัญญากันขึ้นมาเอาแล้นะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากขลงเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกักปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิดเมวะสมิจจตุ สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพารุโคลวินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีคาโยโกภวะอะพิวะธนสีลิสะนิจจวุฑาปะจายโน จตาโรโหธ ม, มาวาทาติอายุวนโนสุขังภาลางังขอรบกวนญาติโยมที่ติดตามทามทางบ้านช่วยส่งผลมาหน่อยได้ไหมมีคนบ่นว่าสองสามวันนี้เสียงมันหอนเป็นแบกกราวเสียงแบกก่าวหอนตอนนี้มีหรือเปล่าหรือว่าเป็นไม่มีเสียงแบกก่าวและเสียงดังฟังชัดไหม มีอะไรควรจะแก้ไขช่วยแจ้งมาด้วยก็ดีเพะฟังชัดเด็ดไม่มีเสียงหอนเลยเมื่อเช้ามีคนมาบอกเครื่องเขาฟังแล้วหอนไม่รู้ว่าหอนมาจากที่ไหนหรืออุปทานหรือเปล่าไม่มีหอนนะเป็นหอนแบบเป็นแบกกลาวแบบตลอดเวลางนี้มีไหมมีไหมคุณปุ้ยบอกไม่มีค่ะเออ หนูคอนบอกว่าเสียงชัดเจนคุณโทนีิบอกวันนี้ไม่เป็นครับอะไม่มีอะไรนะวันนี้เสียงดีวันนี้เปลี่ยนไมเลยเปลี่ยนระพมตัวเล็กตัวจิวนะ๋วตัวจิว๋วนี่นี่ก็มีอะไรก็ส่งมาได้นะแจ้งมาได้ทางเราก็บางทีไม่รู้เหมือนกันมีอะไรอยากจะถามไหม ยังไม่มีนะนามมาอะไรเราจะมาปฏิบัติธรรมนะคะปตป็นี่เขาบอกให้ที่วัดยาเออได้อยู่ครั้งละเจ็ดวันเขาจองที่พักได้นุ่มขาวหุมขาวถือสิบแปดลงกีงวนนะ่วันก็ได้แล้วแต่ก<ช>็มีที่ว่างเขาก็เก็บให้ได้ถ้าไม่จองเวลามามันอาจจะไม่มี ก็คงไม่ต้องจองเป็นเดือนเป็นปีหรอกมั้งแต่บางคนเขาจองกันเนี่ยออกพรรษาเขาจองกันล่ะพวกที่เข้ามาประจํำนี้เขาจะจองวันสําคัญสําคัญไว้ก่อนนะพอเข้าพรรษาปั๊บเขาก็จองออกพรรษาละเดี๋ยวพอออกพรรษาพั๊ก็จองมาฆะบูชาเพราะวันสําคัญนี้คนจะมาวัดกันเยอะถ้าไม่จองไว้ก่อนมันที่มันจะไม่มีแต่ถ้าช่วงวันธรรมดาแบบนี้ ไม่ค่อยมีคนอะไม่ค่อยเต็มอะ mm hmm. ถ้ามาวันธรรมดาบางทีไม่ต้องจองเลยก็ได้ mm hmm. ถามเขามีไ <Okay. S 1> หมก็อยู่ได้เลย mm hmm. แต่ถ้าก mm hmm. ารทการความผิดหวังก็เช็ค ก, กับเขาก่อนดีกว่าโทรมาถามก่อ น, ม, อนมีเบอร์ที่เดี๋ยวโยมมีไหมเดี๋ยวโยมบอกก่อ mm hmm. เดี๋ยวถามจากเขา เลยจะบอกตอนนี้ก็ได้เถื่อคนอยู่ทางบ้านมีดูได้ไหมเปิดได้ก็ได้แล้วก็เปิดเพื่อดูเบอเป็นเบอของว้านนี่เป็นเบอมือถือก็เป็นเบอร์อ่ะเบอร์มือถือโทรได้ตลอดเวลาหรือว่าหรือว่าเฉพาะเวลาทํางานทํางานแต่ถึงสี่โมงครึ เดี๋ยวจะได้ประกาศบอกให้คนอื่นที่อยู่ทั้งบ้านอยากจะรู้ก็ได้รู้สึกเบอร์ในเว็บไซต์มันเปลี่ยนไปแล้วมั้งศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแปดศูนย์สองเก้าเจ็ดลองพูดอีกทีเลยถ่ายเลยโบรานซิ ศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแปดศูนย์สองเก้าเจ็ดค่ะอันนี้วัดญาอยากแคติดต่อกับวัดญารจรงที่พักอยู่กับไซจะได้ไม่ต้องมาถามเราบ่อยๆเราจํจำไม่ค่อยดีเ <st> ขาว่านิ ญ, ญาถ้าอยู่ครั้งละไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดคืนต้องมานุ่งขาวห่มขาวต้องโบสเช้าเยน็น วัยพา ส, สวนมนต์นั่งสมาธิตอนบ่ายก็ขึ้นมาฟังเทศน์ฟังธรรมบนเขาได้ที่พักเป็นหอพักไม่ได้เป็นเรือนไม่ได้แยกเป็นห้องห้องเป็นเหมือนโรงแรมเป็นหอพักในห้องมีห้องน้ำเสร็จในตัวใช่ไหมมาต้องจดทะเบียนมีค่าลงทะเบียนหกสิบาทอ่ะแล้วเวลากลับก็มีตู้ให้หยอดค่าน้ำค่าไฟ ตามศรัท ธ, ธาวันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่วันนี้สูงสุด528รอ่สอ๋อวันนี้ขึ้นเยอะหนยะห้าร้กว่าแนละ้วยูยูทูปสูงสุด116ค่ะออวันธรรมดาจะเยอะนะห้าร้อยยี่สิบแปดหนึ่กว่าห4 0กว่ามีใครอยากจะถามอะไรไหม ไม่มีจะให้ทางบ้านเขาถามไม่ใช่แล้วเดี๋ยวใครอยากจะถามก็ยกมือได้นะถามได้ตลอดเวลาจนกว่าเราจะเลิกเลิกแล้วอย่ามาถามนะ <laughs> ชอบมาถามตอนที่เลิกเลยต่างประเทศนะ <c oughs> อันนี้ไม่มีคาถามฝากถามข้อที่หนึ่งค่ะทุกในอริยสัจสี่กับทุกในไจรักเหมือนกันไหมคะ มีวิธีพิจารณาอย่างไรบ้างคะอ๋ออันเดียวกันนะทุกทุกในตายรักก็ทุกในอริยสัจสีตัวเดียวกันเพราะว่าทุกนี้เกิดจากความอยากอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงเห็นเที่ยงอยากให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเรามันก็เป็นไปไม่ได้มันก็เลยทุกข์กันถ้าเราถ้าเราเห็นตายรักเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราเห็นว่า ไม่ใช่ของเราไม่เที่ยงจะต้องมีวันจากกันเราก็จะไม่มีความอยาก <m ell an> อยากให้เป็นของเราไม่มีความอยากให้เที่ยงมันเราก็จะไม่ทุกข์เนี่ยทุกข์ในระยะสัตว์ก็เกิดจากความอยากอยากให <t os neat> <t os minute> ้ของที่ไม่เที่ยงเป็นของเราภาวะตัณหาอยากให้ของที่ไม่เที่ยงเป็นของเราเช่นร่างกายเรานี่อยากให้มันเที่ยงแต่มันไม่เที่ยงก็เลยทุกข์กัน เวลาหนังเหี่ยวก็ทุกเวลาขนผมขาวก็ทุกผมร่วงก็ทุก <c oughs> <c oughs> มันทุกหรอกทุกค <c oughs> นอ้วนเขาไม่ทุกหรอกเขาถ้าเขาทุกเขาไม่เขาไม่ไม่ปล่อยให้อ้วนหรอก <c oughs> ความอยากเขากินเขามีความสุขถ้าเขาผอมเขาทุกเพราะไม่ได้กินอันเดียวกันใช่ไหมเข้าใจไหมทุกทุกในไตลักษณ์ก็ทุกใ น, ใ ก, ก, ในก็คือทุกในอริยสัจสี่ทุกที่เกิดเกิดจากความอยากอยากให้ของที่ไม่เที่ยงเที่ยอยากให้ของที่ไม่ใช่ของเราเป็นของเรา พอไม่ได้ตามความอยากก็ทุกข์ขึ้นมาถ้าเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราเราก็จะไม่ไปอยากให้มันเที่ยงไม่ไปอยากให้มันเป็นของเราเราก็จะไม่ทุกข์ข้อที่สองค่ะขอคาชี้แนะจากอาจารย์ค่ะเรื่องการพิจารณา ส, สัญญาสังขารและวิญญาณค่ะว่าจะทำอย่างไรออสัญญาสังขารวิญญาณกับเวทนานี่มันมาเป็นพวง มันมาด้วยกันมันมาเป็นทีมเฉันจับตัวใดตัวหนึ่งมันก็จะได้ทั้งทั้งทั้งหมดเนี่ยตัวตัวที่มันเป็นปัญหามากที่สุดก็คือตัวเวทนาที่เราวุ่นวายกันทุกวันนี้ก็เรื่องของเวทนานี้เรื่องของทุกขเวทนาเนเวลาปวดฟันหน่อยก็วิ่งหาหมอกันวุ่นไปหมด เ, เวลาปวดท้องหน่อยก็วิ่งหาหมอกัน เราอยากให้มีแต่สุขเวทนาความอยากนี้ก็คือสังขารล้สังขารความคิดปรุงแต่งอยากให้มีแต่สุขเวทนาสัญญาก็ก็จะจําแต่สุขเวทนาอยากจะให้อยู่มีแต่สุขเวทนาเฉะนั้นวิธีเราแก้ก็คือต้องต้องมาแก้ที่ตัวเวทนา โดยใช้ปัญญามองว่าเวทนานี้มันก็เป็นตายรักมันไม่เที่ยงมันมาแล้วเดี๋ยวก็ไปมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเวทนานี้มีสามแบบสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์วันวันหนึ่งเราก็เจอสามตัวนี้แต่ตัวที่เราเกลียดก็คือตัวทุกข์ใช่ไหมพอเจอตัวนี้เท่าไรเราอยากจะไล่มันไปทุกทีแต่ตัวสุขตัวไม่สุขไม่ทุกข์นี้ยังพอจะอยู่กับมันได้ ทีเราต้องดูความจริงว่ามันมันเราสั่งมันได้หรือเปล่าเราห้ามมันได้หรือเปล่าถ้าเราห้ามมันไม่ได้เราก็ต้องทำใจอยากไปอยากให้มันหายเวลาทุกข์มาแล้วอยากไปอยากให้มันหาย <Yeah. S 1> ก็ใช้ปัญญาถ้ารักษาได้ก็รักษาไปแก้ได้ก็แก้ไปถ้าแก้ไม่ได้ก็อยู่กับมันไปแล้วเราก็ใจของเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อน เวลาเราใช้ปัญญาเราก็ใช้สังขารคิดไปในทางปัญญาถ้าเราไม่ใช้ปัญญาสังขารมันก็จะคิดไปในทางความอยากพอไปคิดไปในทางความอยากมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเห็ น, นเวลาที่เราพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญานี่เราพิจารณาที่ตัวเวทนาตัวเดียวก็ได้พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเหมือนกันหมด เวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่มันเปลี่ยนเป็นทีมมันไปเป็นชุดเหมือนกับใส่เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านี่มันมาเป็นชุดใช่ไหมวันนี้ใส่ชุดเขียวก็เขีย ว, ยวไปทั้งตัวเลยเวลาชุดแดงก็แดงไปทั้งตัวใช่ไหมเวลาชุดขาวก็ขาวไปทั้งตัวเลยอันนี้อันนี้ขาวไปทั้งตัวอันนี้ก็เหมือนกันเวลาทุกสังขารสัญญา วิญญาณมันก็ทุกไปหมดเลยมันก็จะหมุนไปทางเดียวกันเนี่เราต้องมาแก้มาให้มันหมุนไปทางที่จะทําให้เราทุกข์พอมันเจอความทุกข์มันก็จะหมุนไปทางความอยากให้หายทุกข์ทันทีเราก็ต้องมาแก้ว่าเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เราต้องหัดอยู่กับมันอยากไปอยากให้มันหาย อย่าไปรังเกียดมันสัญญามันจะคอยรังเกียจํำได้ว่าทุกขเวทนา น, นี้ไม่ดีพอเห็นทุกขเวทนาแล้วไม่ดี ท, ทันทีพอไม่ดีก็บอกสังขารว่าอยากจะหนีอยากจะให้มันหายนี้พอมันเกิดความอยากมันก็เลยทำให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอันนี้ทุกขในอริยสัจ ท, ที่รุนแรงกว่าทุกขในร่างกาย แต่ถ้าเรามีปัญญาสอนใจว่า เ, ออเราห้ามมันไม่ได้มันมาก็ต้องมาก็อยู่กับมันไปกินยาได้ก็กินไปมียากินก็กินไปหายไม่ยังไม่หายก็ต้องทนอยู่กับมันไปแต่ใจเราจะไม่ทุกข์สัญญาสังขารก็จะไม่คิดเป็นในทางอยากให้มันหายสัญญาสังขารก็จะเฉยๆไปเวทนาเดี๋ยวมันก็หายไปเอง มันไม่มีอะไรที่มันจะอยู่ไปตลอดเนี่ยสุขก็ไม่สุขตลอดทุกก็ไม่ทุกตลอดไม่สุขไม่ทุกก็ไม่สุขไม่ทุกไปตลอดมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนวันวั น, ว, นวันเดือนปีนี่มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของมันอยู่เลยเดี๋ย <Yeah. S 1> วก็แจ้งเดี๋ย <WY. S 1> วก็มืดเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวก็เยน็น ม, มันก็เปลี่ยนไปของมันถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเราก็ไม่ทุกใช่ไหถ้าเราไปยุ่งกับมันดูเลยอยากจะให้มันเช้าไปทั้งวัน รู้สึกเ้าลูสดชื่นสดชื่นสดใสไม่อยากให้มันบ่ายตกบายตกเย็นเลยมันก็จะทุกข์ขึ้นมา้เราก็ต้องสอนใจให้เรายอมรับความเป็นของที่ไม่แน่นอนของอันนีของเวทนาเวทนามันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันไม่ใช่ของเราที่เราจะสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้มันเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศ เราไปสั่งฝนฟ้าไมา่อากาศไม่ได้แต่เราไม่เดือดร้อนเนี่ยฝนจะตกแดดจะออกเราก็ไม่ทุกข์กับมันหรืแม่น้าจะท่วมเราก็ไม่ทุกข์เพราะเรายอมรับทุกข์ไปแล้วก็ทําอะไรไดไม้มันท่วมมันก็ท่วมจะไปอยากให้มันไม่ท่วมมันจะมันจะห้ามมันได้ปะอันนี่คือการพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เป็นสัญญาสังขารวิญญาณให้มันพิจารณาไปทางไตรลักณตอนนี้เราชอบพิจารณาไปทางตรงเป็นข้ามชอบไปพิจารณาว่าเป็นของเราเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนพอมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนพอไม่เป็นของเรามันก็เลยทําให้เราทุกข์กันครบถามจากคุณจันทร์จะพิจารณาและปฏิบัติอย่างไรให้เมตตาอย่างถูกต้องถูกบุคคลถูกการเทสะเจ้าคะ บางครั้งความเมตตาที่มีต่อบุคคลอื่นนํามาซึ่งความเดือดร้อนและวุ่นวายใจก็ค่ะคือความเมตตานี่มันให้กับทุกคนได้หมดแม้้ทั้งสัตว์ในราชาให้ได้หมดเพียงแต่ว่าให้เหมาะสมกับผู้รับให้ให้เด็กก็ต้องให้อะไรให้ขนมใช่ไหมเอาเบียร์เล่าไปให้เด็กมันก็ไม่ได้ให้ผู้ใหญ่ให้คนที่เขาชอบกินเหล้าก็ต้องเอาขนมไปให้เขาเขาก็ไม่เอา เขาชอบกินเหล้าก็ซื้อดาให้เขากินเนี่ยอ้าวนี่ก็เป็นความเมตตาเหมือนกันให้แล้วเขามีความสุขก็ป่า mm hmm. เห็นไหมการให้ความสุขแก่ผู้อื่นก็คือความเมตตา mm hmm. แต่ต้องให้โดยที่เราไม่เดือดร้อนไม่ใช่เราไม่มีเงินก็ไปเขามวณเงินคนอื่นมาไปซื้อของไปให้คนอื่นอย่างนี้ทำางนี้ก็ไม่ถูก mm hmm. ถ้าเราไม่มีเงินก็ที่จะให้ก็ไม่ต้องให้ให้แต่ลอยยิ้มไปแทน ให้ในสิ่งที่เรามีให้ให้ให้แต่วาจาหวานหวานไปก็ได้สบายดีหรือคะ เ, อ เ, อเป็นยังไงคะ อ, อะไรอย่างเงี้ยให้ในสิ่งที่เราให้ได้โดยที่เราไม่เดือดร้อน อ, อย่าไปให้ในสิ่งที่เราเดือดร้อนอนอกจากเราเป็นพวกโพธิสัตว์เป็นพวกที่เข า, าเรียกอะไร พวกที่สุดโตรงนี่เขาบางทีเขายินดีเขายินดีเจ็บตัวเพื่อความสุขของคนอื่นพวกนี้เขากล้าเสียสละมากกว่าบางคนยอมพลีชีพเพื่อชาติอย่างนี้ยอมตายเพื่อชาติเนียอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนแล้วแต่กำลังแล้วแต่ความปรารถนาของแต่ละคนบางคนมีความปรารถนาที่จะเสียสละมากแม้แต่ชีวิตก็เสียได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนที่จะพิจารณากัน แต่เรื่องของคนรับนี่เราให้ได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นพระเป็นคารวาสเป็นนกเป็นปลาเป็นเลราชานเราให้ความเมตตากับเขาได้แต่ต้องให้ตามเหมาะสมกับทะความต้องการของเขาเช่นปลาที่เขาจับมาขายนี่เราก็ไปซื้อมาปล่อยไม่ใช่ไปซื้ออาหารไปเลี้ยงปลาในในที่เขาขังอยู่ใช่ไม มันก็ต้องดูการดูความเหมาะสมของผู้รับว่าเขาต้องการอะไรปลาที่จะถูกฆ่าเขาก็ต้องการอาภัยโทษเขาต้องการได้ชีวิตแทนวัวไปถ่ายวัวถ่ายโคนเนี่ยเขาจะอาไปฆ่าแล้วก็ไปถ่ายชีวิตเขาไม่ใช่ไปซื้ออาหารไปเลี้ยงมันตอนก่อนจะตายอาหารมื้อสุดท้ายมันจะมีกาลังใจจะ ก, กินหรือเปล่า อดังนั้นเวลาจะจะให้อะไรกับใครเราก็ต้องดูความเหมาะสมกับผู้รับอย่างคนที่ล่วงรับไปแล้วให้เงินเขาก็เขาก็รับไปได้คนตายไปแล้วก็ต้องทําบุญแล้วก็อุทิศบุญไปให้เขาต้องดูสถานภาพของคนรับว่าเขาเขาต้องการอะไรเด็กก็ให้ขนมเี้ยเอด็กไปให้ของที่ของขมเด็กกินไม่ได้เเด็กก็ไม่เอาะ วันนี้เอาขนมมาแจกเด็กก็ป่ะลืมาไม่มีค่ะอ๋อเอากลับไปก่อนเนาะเอ๊อยู่นะเอาข้ากลับไปก่อนเอามีแต่ผู้ใหญ่เนี่ยให้ฮอนผู้ใหญ่ใส่สามแพ็คค่ะอ๋อเมื่อเช้าลูกเรามาตอนเช้าเขาอยู่แล้วเลยเอามาฝากก็หน่อยขนมมีญาติโยมเขาถวายมาบอกเผื่อจะให้เด็กอะเขาลูกเราชอบให้เด็กเขาเลยให้ขนมมาสองสองกล่องก็เลยเอามาแจกเด็ก ผู้ใหญ่ก็เลยขอกินด้วยผู้ใหญ่ก็ยังเป็นเด็กอยู่นะเรื่องขนมนี่ไม่ว่าใดกว่าผู้ใหญ่ก็เอานนะัเข้าใจยังคำตอบนี้ตกตังแล้วนะคำถามจากคุณบัณฑิตเมื่อวานนี้ที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องความฝันผมเคยฝันไปสถานที่ที่ผมยังไม่เคยไป แต่เวลาผ่านไปเป็นเดือนหรือเป็นปีผมก็มีเหตุที่ต้องไปเจอสถานที่ที่ผมเคยฝันมาแล้วแล้วก็ต้องเจอกับเหตุการณ์ต่างๆตรงกับที่ผมเคยฝันมาก่อนหน้านี้ทำไมผมต้องมาฝันเห็นเหตุการณ์ก่อนมาจริงครับมันไม่มีทำไมหรอกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละไ <c oughs> <c oughs> ม, ม่ใช่จะทำไมได้ไงก็แสดงว่าคุณคุณมีวาสนาทางนี้ก็แล้วกันมีวาสนาทางฝัน ฝันฝันแล้วเป็นจริงทำไมไม่ฝันเห็นก็ไดยเห็นเบอร์บ้างนะคำถามจากคุณแยมมี่ข้อที่หนึ่งค่ะเป็นโรคจิตทำให้ทุกตีด่าว่าพ่อแม่และควบคุมตัวเองไม่ได้พอรู้ตัวก็ขออาโหสิกรรมท่านก็เข้าใจแต่เราก็ยังรู้สึกผิดตลอดตอนนี้ท่านเสียไปแล้ว แล้วผลกรรมที่จะต้องได้รับคืออะไรแล้วจะแก้กรรมอย่างไรดีครับก็โลกจิตมันเกิดจากการไม่มีสติไงสะพอมเผลสติเหมือนคนเมาเหล้าเงมันก็เลยไม่รู้ว่ากําลังพูดอะไรกําลังทําอะไรหรือรู้ก็รู้แบบไม่รู้แบบไม่เต็มที่ก็ต้องฝึกสติให้มีสติมากๆจะได้รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่กําลังพูดดีหรือพูดไม่ดีกําลังทําดีหรือทําไม่ดีฮ ถ้ารู้ว่าพูดไม่ดีทำไม่ดีก็หยุดได้ถ้ามีสติถ้าไม่มีสติก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่หยุดรู้ว่าไม่ดีแตร่รู้การโทรสะอย่างนิยายที่ที่อะไรลูกข้าแม่เพราะแม่เอาข้าวมาให้เช้าไปหน่อยออหิวข้าวมากทำงานเหนื่อยแล้วพอแม่เอาข้าวมาให้สายหน่อยแล้วข้าวก็รู้สึกว่าน้อยไป ก็เลยโกรธแม่ถึงกับทุบฆ่าแม่เลยอันนี้พาะไม่มีสติถูกถูกโทสะความโกรธมันครอบงมจิตใจเ <c oughs> วลาเกิดความโกรธเกิดความโลภนี่แสดงว่าสติมันถูกบีบออกไปแล้ว <c oughs> ความโลภความโกรธนี่มันเข้ามาทำหน้าที่ควบคุมใจเราแทนมันอยากจะทำอะไรมันก็จะทำไปตามที่มันอยากทันทีแต่ถ้าเรามีสตินี่พอเรามีความโลภความโกรธนี่เราหยุดมันได้ ถ้าเราถ้าเราไม่มีแต่เรารู้ว่าเราโกรธเราก็ยังสามารถที่จะสร้างสติขึ้นมาได้ตอนนั้นเช่นเวลาเราโกรธอะไรแล้วก็เริ่มพุโทโธไปเลยถ้าเรารู้ว่าเราต้องหยุดความโกรธไม่ได้เราก็ใช้พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปอยู่กับเรื่องที่ทําให้เราโกรธเดี๋ยวความโกรธนั้นก็จะระงับได้ยิ่ <c oughs> งนั้นมันก็เรื่องของการการไม่มีสติทําให้เราไปทําบาปทําอะไรไม่ดี เมื่อทำบาปแล้วก็ต้องไปรับผลบาปไม่ว่าด้วยเหตุผลอันใดทำด้วยไม่มีสติหรือทำด้วยความโกรธหรือทำด้วยความโลภมันก็บาปเหมือนกันทำแล้วก็ต้องไปรับผลบาปตามตามบาปที่ทำไว้บาปหนักที่สุดก็คือการฆ่าบาปรองลงมาก็คือการลักทรัพย์รองลงมาก็คือการประพฤติผิดประเวณีรองลงมาก็คือการพูดปด ลองลงมาก็คือการดื่มสุราบาปหนักก็คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็ลองลงมาข้อที่สองค่ะขับรถแล้วมีคนเดินตัดหน้ารถ ด, ดึงหักหลบทำให้รถคว่มและแม่เสียชีวิตถือเป็นกรรมหนักประเทศมาตุกะไหมคะอ๋อไม่เป็นหรอกเพราะเราไม่มีเจตนาจะฆ่าแม่เรามีเจตนาที่จะไม่ไม่ไปฆ่าคนที่เขาข้ามถนนนนพอดีมันเป็น ััออุุุบตติิเเเหป็นรื่งสสดวสยคำถามจากคู่ไม่ประสงค์ออกนามข้อที่หนึ่งการที่เราภาวนาพุทโธแล้วเราเหนื่อยเราเลยหยุดพักอยู่กับความว่างหรือดูลมแล้วค่อยกลับมาภาวนาต่อได้ไหมคะหรือเราไม่ควรหยุดแต่อาจภาวนาให้ช้าลงแต่ภาวนาไปเรื่อยๆคะก็ได้ถ้าถ้าอยู่ที่ว่าเรามีความคิดหรือเปล่า ถ้าเราไม่มีความคิดเราจิตว่างๆเฉยๆรู้เฉยๆก็ไม่ต้องไม่ต้องบริกรรมก็ได้ประครับประคองไม่จิตมันอยู่กับความว่างอยู่กับความไม่คิดไปแต่ถ้ามันคิดเมื่อไหร่เราก็ต้องหยุดมันต่อใช้พุโทโธต่อหรือใช้การดูลมหายใจต่อแต่ถ้าเรายังถ้ามันไม่คิดแต่เรายังดูลมได้ก็ดูลมต่อไปก็ดีเพราะการดูลมเพ่งลมมันจะทาให้จิตมันสงบมากขึ้น จะเข้าไปสู่ความสงบได้เลกกว่าที่เราเป็นอยู่ข้อที่สองเวลาเราเจ็บขามากตอนนั่งสมาธิแล้วภาวนาพุทโธทถี่ๆรัวๆเพื่อสู้กับอาการเจ็บแต่เรากลับรู้สึกเครียดคะ่ะสุดท้ายก็รู้สึกเหนื่อยจนต้องลืมตาไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรคะแล้วเราควรแก้ไข อ, อย่างไรดีคะเพราะความอยากให้มันอยากจะลุกนี่มันมีกาลังมากกว่า กว่ากำลังของพุทธโธมันก็เลยเหมือนกับชักกระเยอะกันพอมันชักกะเยอะกันมันก็เกิดความตึงเครียดขึ้นมาในใจใแต่ถ้าเราพุทธโธนี้มีกำลังมากกว่าความอยากความอยากมันก็จะเบาลงแล้วความเครียดก็จะไม่มีเราต้องพยายามฝึกสติไปให้มันมีกำลังมากกว่าความอยากแล้วต่อไปเวลาเราพุทธโธพุทธโธนี้มันจะไม่เครียด คุณปานิสาค่ะบวชให้พ่อแม่ตอนท่านเจ็บป่วยเพื่อช่วยให้ท่านหายป่วยแบบนี้จะช่วยได้ไหมคะไม่ได้หรอกถ้าช่วยได้ก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องเสียเงินไปบวชกันดีกว่าคำถามจากคุณสิริชยัย <c oughs> การใช้ปัญญาดับกิเลสจะออกมาในรูปแบบไหนครับถึงเราถึงมะรู้ว่านั่นคือการใช้ปัญญาและแตกต่างกับความคิดอย่างไรครับ เช่นเวลาแฟนจะทิ้งเราอย่างนี้เราก็พิจารณาว่าแฟนเที่ยงหรือไม่เที่ยงะแฟนเป็นของเราหรือไม่เป็นของเราถ้าเรายังคิดว่าเป็นของเรายังคิดว่าเที่ยงเราก็จะทุกข์เพราะเรายังใจอยากให้เขาอยู่กับเราต่อไปแต่ถ้าเราคิดว่าเขาไม่เที่ยงเขาเปลี่ยนไปแล้วเมื่อก่อนเขารักเราวันนี้เขาไม่รักเราแล้ว <S 2> <S 2> <S เขาจะไปเป็นของคนอื่นแล้วถ้าเราเห็นว่าเขาไม่เที่ยงเขาไม่ได้เป็นของเราเราก็ต้องยอมให้เขาไป พอเรายอมให้เข้าไปเราก็หายทุกข์เนี่ยใช้ปัญญามองให้เห็นว่าสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นของเราแล้วจะไปเป็นของคนอื่นแล้วไม่เที่ยงแล้วจะจากเราไปแล้วไม่ได้อยู่กับเราแล้วถ้าเรายอมรับเราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไม่ยอมรับยังอยากใช้กลับมาอยู่ทั้งทังที่เขาไปแล้วก็ยังทุกข์อยู่เพราะยังไม่ยอมรับว่าเขาเขาไม่เที่ยงเขาไปแล้ว ไม่ยอมแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นของเราแล้วแต่ถ้าเรามองความจริงเขาเป็นของเราหรือเปล่าตอนนี้เขาไปเป็นของคนอื่นแล้วไม่ใช่เลยเขาเหมือนเดิมหรือเปล่าเขาเที่ยงเหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือนตอนที่เขารักเราใหม่ๆหรือเปล่าไม่เหมือนแล้วใช่ไหมเขาไม่รักเราแล้วนี่ก็ใช้ปัญญามองอย่างนี้ถ้าใช้ปัญญาแล้วยังทําใจไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีสัตว์ไม่มีสมาธิไม่มีกําลังที่จะปล่อยก็ต้องใช้พุทโธช่วยะ พอพิจารณาแล้วยอมรับแล้วปลงได้แล้วแต่ยังทุกข์อยู่ก็ต้องตอนนี้ก็ต้องพุดโธพุธโทโธอย่าไปคิดถึงแฟนให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปพออยู่กับพุทโธรไปเดี๋ยวลืมเรื่องแฟนก็จะหายทุกข์ที่มันทุกข์เพราะยังไปคิดถึงแฟนอยู่ยังอยากให้เขากลับมาอยู่ในเวลาคิดถึงแฟนต้องพุดโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเขาเพราะคิดถึงเขาแล้วก็ อ, อยากพุทโทพุโทโธรไปแล้วเดี๋ยวก็จะหายทุกข์ถ้วต่อไปก็จะไม่ทุกข์กับเขาอีกต่อไป คำถามจากคุณอุไทยในการอุทิศบุญไปยังเด็กที่เขาเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องเขายังไม่มีชื่ อ, อนำส ก, กุลการอุทิศบุญอย่างไรให้เด็กน้อยคนนั้นเขาได้รับอันนี้สงของบุญคะก็เอ่ยถึงตัวเขาละ่ะไม่ก็ไม่ต้องมีชื่อแล้วก็าบอกว่าเด็กที่อยู่ในท้องคนนั้นคนนี้ที่ตายไปแล้วรางวัลนั้นวันนี้นนนถ้ารอรับส่วนบุญอยู่ก็ขอให้มารับส่วนบุญนี้ไปได้ เขาอาจจะไม่รับก็ได้เขาอาจจะไปเป็นเทวดาแล้วก็ได้หรือเขาอาจจะไปติดคุกติดตารางไปตกนรกก็แต่คงไม่คนที่มาเกิดใหม่ยังอยู่ในท้องอยู่แสดงว่าเพิ่องออกมาจากอบายหรือเพิ่งลงมาจากสวรรค์ก็คงจะรอรอเกิดใหม่รอจังหวะที่จะมีร่างกายใหม่ช่วงที่เขารอก็จะอุทิศให้เขาก็ได้แต่เขาอาจจะไม่ต้องการก็ได้เพราะเขาไม่หิวเขามีเขามี มีสภาพที่เขาไม่ไม่หิวไม่ได้เป็นเปรตนะ เ, เขากําลังอยู่ในสภาพที่จะเป็นมนุษย์อยู่คำถามจากคุณทอนโฟค่ะตอนนั่งสมาธิพุโทโธมีอาการเหมือนตกผวัาสังเกตจากมีอาการเหมือนง่วงพอตั้งสติใหม่สักพักก็เป็นอีกหลายรอบแต่เวลาออกจากสมาธิก็ไม่ได้ง่วงมันคืออะไรครับแล้วแก้อย่างไรดีครับ ก็บาาจิตบางทีมันจะสงบมันก็ง่วงถ้าสติมีกำลังไม่มากมันก็จะเข้าพวังหลอกแต่ถ้าสติมีกำลังมากมันก็จะเข้าพวังสมาธิมันจะตื่นมันจะรู้สึกตัวตลอดเวลานี่แสดงว่าสติมีกำลังไม่มากพอนั่งสมาธิพ่อพุทโธพุทโธไปสักพักหนึ่งมันมันเริ่มเบามันเริ่มเคลิ้มมันก็เลยจะหลับไปแต่าแต่ถ้ามีสติมากมันจะไม่หลับ มันจะนิ่งมันจะสงบแทนยังถึงบอกให้พยายามเพียรสร้างสติให้มากมากถ้าไม่มีสติแล้วนั่งเดี๋ยวก็หลับถ้าไม่หลับก็ฟุ้งซ่านแต่ถ้ามีสติแล้วจะไม่ไม่หลับไม่ฟุ้งซ่านจะนิ่งจะสงบจะเย็นจะสบายคำถามจากคุณ น, น้อยนา <c oughs> เวลามีเหตุการณ์มากระทบอารมณ์มันรู้สึกเฉยๆแบบแน่นมาก แต่บางทีขนาดที่เฉยก็เกิดเหตุผลขึ้นมาให้เข้าใจถามว่าเฉยคืออุเบกขาและเหตุผลที่เกิดขึ้นมาคือปัญญาหรือจิตใช่ไหมเจ้าคะอถ้าเหตุผลกับปัญญาถ้าเฉยก็อุเบกขาถูกต้องแต่เฉยมันต้องไม่เฉยแน่นแน่นน้อกแน่นแหนักอกหนักใจนะมันต้องเฉยแบบเบาอกเบาใจที่คำว่าแน่นนี่ไม่แน่ใจว่าแน่นอุเบกขาหรือว่าแน่นใจ ถ้าใจมันแน่นมันหนักมันไม่ใช่มันต้องอเบกขาแบบเบา อ, อกเบาใจคำถามจากคุณอู๋บางครั้งรู้สึกงานว่างเกินไปชีวิตดูไม่มีประโยชน์ทำให้คิดจะทำบางสิ่งเพื่อพัฒนาตนเองคิดแบบนี้เป็นสิ่งไม่ถูกต้องใช่ไหมคะควรจะอยู่นิ่งๆเฉยๆนั่งสมาธิไปก็นั่นละการนั่งสมาธินั่นก็เป็นการการะทาอย่างที่เป็นประโยชน์ที่สุดที่ดีที่สุด ถ้ามีเวลาว่างแล้วจะไปหาเงินไปทำงานเพิ่มอย่าไปทำดีกว่าเอาเวลาว่างมานั่งสมาธิทำใจให้สงบดีกว่าเพราะผลที่ได้จากการได้นั่งสมาธินี่มันมีคุณค่ามากกว่าผลที่เราจะได้รับจากการไปกระทำอย่างอื่นคำถามต่อเ น, นื่องจากคุณพรทมข้ อ, อ, อ, อที่แล้วค่ะแก้ได้ ว, วิธีการรวมส ต, ติให้มากขึ้นด้วยวิธีไหนดีครับก็หัดฝึกบริกรรมพุโทโธไปทั้งวั น, นตั้แต่ลืมตาขึ้นมา ก่อนจะลุกไปทําอะไรก็พุดโธพุทโธรไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับเรื่องที่เรากําลังทําอยู่ถ้าเราทํางานหรือกําลังแปรงฟันก็อยู่กับการแปรงฟันล้างหน้าก็อยู่การล้างหน้าไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดนู่นคิดนี่คำถามจากคุณจิริวันหนูอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะเกี่ยวกับคําว่าศูนย์กลางกาย จำเป็นไหมคะว่าต้องคิดถึงตำแหน่งที่ตรงสะดือค่ะ อ, อ๋อไม่จำเป็นหรอเวลานั่งเราก็นั่งในท่าที่มันออปกตินั่งแบบตัวตรงออนั่งขัดสมาธิตัวตรงแล้วก็ไม่ไม่ไม่เกรงออไม่เกรงนั่งแบบสบายสบายออแต่อย่าให้หลังงอนั่งให้ตัวตรงออแล้วก็ ไม่ไม่เอ็นไปทางซ้ายไม่เอ็นไปทางขวาไม่เอ็นไปข้างหน้าไม่เอ็นไปข้างหลังพอเรารู้แค่นี้ก็พอแล้วรู้ว่าเรานั่งอยู่ในท่าที่ถูกต้องแล้วเวลาเรานั่งบางทีจะมีความรู้สึกกังวลก็อย่าไปสนใจบางทีมันจะคิดว่ากาลังเอนไปทางซ้ายเดี๋ยวก็จะดึงกลับมาพอดึงกลับมาก็จะคิดว่าเดึงไปทางขวาแล้วเดี๋ยวก็จะดึงกลับมาอีกถ้าไปคอยกังวลแล้วจะไม่ได้นั่งสมาธิจะมีแต่นั่งปรับร่างกาย นั่งปรับน่างกายไปนั่งก็ไปก็ไม่สงบยิ่งเวลาตอนก่อนจะเราจะนั่งเราทำความเข้าใจว่าเรานั่งตัวตรงแล้วนั่งได้ศูนย์แล้วได้ถูกที่แล้วพอเราเริ่มพุโทโธหรือเริ่มดูลมหายใจแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจใจมันจะหลอกเราคิดว่าเอ็ไปทางซ้ายเอ็นไปทางขวาหรือเอ็ไปข้างหน้าเอ็ไปข้างหลังก็ไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมหายใจไป จักคุณสุขใจการขึ้นไตรักเป็นอย่างไรคะขึ้นไตรักไตรักก็แปลว่าอันนจจังทุกขังนะตาการขึ้นก็หมายถึงการอะไรการพิจารณาหรือการดูไตรักเลยไตยรักต้องดูต้องดูให้เห็นว่าอะไรบ้างที่เป็นไตรักพระเจ้าบอกทุกอย่างในโลกนี้เป็นไตรักหมดเงินทองข้าวของสมบัติลาบยศสันเสริญ รูปเสียงกินลสเป็นตายรักหมดไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับไม่ไม่ดับก็เปลี่ยนไปอาหารใช่ไหทิ้งไว้เดี๋ยวก็บูดเขียนว่ากินไม่ได้ของใหม่แล้วเดี๋ยวก็กลายเป็นของเก่าไปไม่มีอะไรที่จีรังทาวอนยั่งยืนเหมือนเดิมเรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยงอนัตตาไม่ใช่ของเราเป็นสมบัติชั่วคราว ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องพัดพาคจากกันไปถ้าไปอยากให้เป็นของเราอยากให้มันเที่ยงก็จะทาให้เราทุกข์เรามักจะชอบให้มันเรามักจะอยากให้มันเที่ยงใช่ไหมได้อะไรแล้วไม่อยากจะให้มันเที่ยงให้มันดีไปตลอดอยากให้มันเป็นของเราไปตลอดพอมันไม่เที่ยงพอไม่เป็นของเราเราก็ทุกข์กันทุกข์เพราะความอยากของเราเองคนที่เขาไม่อยากให้เที่ยงคนที่เขาไม่อยากให้มันเป็นของเราเขาไม่ทุกข์ ถามจากคุณเดียเดินจงกรมแล้วเจ็บก้านคอเมื่อยไหลควรแก้อย่างไรดีครับมันเดินไม่น่าจะเจ็บเท้ามากกว่า <c oughs> ไม่เมื่อยคอมันไม่รู้เป็นยังไง <c oughs> ไมัก็เดินตามปกติเ <c oughs> วลาเดินชอปปิ้งไม่เห็นเจ็บว่อ <c oughs> พอมาเดินจงกรมหน่อยเจ็บขึ้นมาทันทีมันเป็นกิเลสมากกว่ามั้งถ้ามันจะเจ็บไม่น่าจะเจ็บที่เท้ามากกว่าอครับ ประกาศลานะคะเอาสานตุากาเออไปไกลเออไปเออเอาเลยไม่เป็นไรไปได้ไม่มีเวลาจำกัดถ้าไปหมดตอนนี้เราก็จะได้ไปหนึ่งกันงที่เรายังต้องอยู่เพราะยังมีคนอยู่เออนะคอันนี้เราก็ไม่รู้ถ้าเป็นทางร่างกายก็ต้องไปหาหมอดูว่แล้วกันไปหาหมอนวดหาอะไรก็าไอก็จับเส้นไงเขาเช็คดูว่ามันเป็นอะไระ แต่มันคงไม่ได้เป็นจากการเดินจงกรมหรอกเพรเดินจงกรมมันเดิดมันเกิดที่เท้ามากกว่านมันน่าจะเมื่อยเท้าเจ็บเท้ามากกว่าอ่ะไปก้มมันทำไมทาไมเดินแบบช้อปปิ้งอ่ะเวลาเดินช้อปปิ้งไม่เห็นเมื่อยไม่เ็นเจ็บคอเลยเวลาเดินเที่ยวไปไหนมาไหนไม่เนเจ็บคอเลยก็เดินแบบธรรมดาที่เราเดินตามปกติไม่ต้องไปก้มหรอกเดินอย่างนี้แต่เพียงแต่ทอดสายตาให้มันลงต่ำ อย่าไปกว้านสายตาไปซ้ายขวาไปมองนู่นมองนี่เดินไปตรงๆเนี้ยแล้วก็มองไปข้างหน้าอย่างเดียวมองให้มันเป็นทิ่มลงไปไกลๆไม่ต้องไปก้มเดินนีเข้าใจไ้ไมอ่าอีกไหมคำ ถ, ถามจากคุณณพลค่ะการที่เราปาป์ารกับการปฏิบัติเราไปศึกษาอภาิธรรมจะทำให้เป็นบ้านหรือเปล่าครับ ได้ยินว่าเป็นทำลำดับสูงสูงครับอันนี้จะเป็นบ้าเพราะเราไม่มีสติฝึกไม่ฝึกสติแล้วก็หลงตัวเองหลงเชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาทั้งทั้งที่มันไม่เป็นก็จะเป็นบ้าได้การเรียนอริธรรมเนี่ยมันดีแต่มันไม่มันไม่มันไม่จําเป็นที่เราจะต้องเรียนหรอกการเรียนแค่ศีลสมาธิปัญญาก็พอปัญญานีการพิธามอยู่แล้วเข้าใจ ไ, ไหม เขาว่าปัญญานี่ก็ทำที่สูงสุดแล้วทำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือปัญญาดังนั้นถ้าเราเรียนศีลสมาธิปัญญาเราเราก็ได้เรียนอภิธรรมแล้วที่เราไปเรียนอภิธรรมเราไปเรียนชื่อมันเราไม่สู้มาเรียนศีลสมาธิปัญญาแล้วเอาไปปฏิบัติดีกว่าเราจะได้เจอตัวมันถ้าเรียนเ้าเอาแต่ชื่อนี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรเรียน <tunnel folk> เพื่อที่จะไปหาตัวมันไป ไปพบกับตัวมันเพราะเราได้ตัวมันแล้วเราจะได้เอามาใช้ประโยชน์ได้คำถามจากคุณคูนค่ะสัพเทธรมมาอนัสตาจิทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนหมายถึงอะไรคะก็หมายถึงอย่างนั้นอ่ะไม่มีตัวตนเราไปเรียกว่ามันเป็นตัวตนเองร่างกายนี้มันไม่มีตัวตนเราไปเรียกมันเป็นละเป็นตัวตนเป็นตัวเราของเราเนตัวตนก็คือตัวเราของเรา คาจริงไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราก้องในพอได้มาก็เป็นของเราแล้วใช่ไหมซื้อโทรศัพท์มือถือมาก็เป็นของเราแล้วใช่ไหสร้างบ้านเสร็จก็เป็นของเราแนละ้วมันไม่ได้เป็นของเราเราเป็นเรียด ก, ก็เป็นของเราเดี๋ยวตายไปเราออกไปได้เปล่าถ้าเป็นของเราใช่ไหมหรีอบางทีไม่ทันตายนะถูกเขาธนาคารยึดไปก่อนก็ได้เป็นของธนาคาร <laughs> รถเนี่ยซื้อมาเนี่ยซื้อเงินผ่อนไม่ได้เป็นของเราหรอกเป็นของธนาคารซื้อบ้านก็เหมือนกันเป็นของธนาคารไม่ใช่ของเราแต่เราชอบหลอกตัวเราเองว่าเป็นของเราพอมันไม่เป็นของเราก็เสียใจร้องห่มร้องไห้แต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่เป็นของเราเราก็จะไม่เสียใจเวลาเจ้าของเขามาเอาคืนไปทำทั้งหลายทำทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไม่ได้เป็นของเรา ไไมมมม่่่่่ีีตตตัััววนนนนเเราาอยูใสิงหล้ครับำถามจากคุณจําใจปกติจะมีอาการชาที่หลังเท้าซ้ายพอนั่งขัดสมาธ์ภาวนาขวาทับซ้ายก็จะเจ็บขาชาเท้าซ้ายมากถ้าจะนั่งภาวนาโดยไม่ขัดสมาธ์ขวาทับซ้ายแต่จะนั่งซ้ายทับขวาหรือวางขาโดยไม่ทับซ้อนกันจะได้ไหมคะได้นั่งแบบไหนก็ได้ <c oughs> คำถามจากคุณทําใจจะทําใจอย่างไรเมื่อยามป่วยไข้คะก็ทําใจไงยอมรับอย่ายอมป่วยอย่าไปอยากให้มันหายป่วยปล่อยให้มันหายเองอย่าไปอยากให้มันหายอยากแล้วมันจะทุกข์เพราะมันยังไม่หายปล่อยให้มันหายตอนนี้เราก็อยู่กับมันเนี่ยไม่ได้ไปอยากให้มันหายแล้วดีไม่ดีหัดอยากหัดชอบมันดีกว่าเวลามันหายเราจะได้เสียใจเอ อยู่กับมันก็ได้อย่างเปลี่ยนรสชาติเหมือนกินของเผ็ดนะเคยกินของจืดๆนะตอนนี้ต้องกินของเผ็ด ด, ด้ถ้าไม่ชอบกินมันก็จะทุกข์แต่ถ้าชอบกินหัดชอบกินของเผ็ดเวลามันเผ็ดก็ไม่เดือดร้อนเราชอบกับเราชอบแต่ความสบายของร่างกายเพราะร่างกายไม่สบายเลยไม่ชอบเลยทุกข์กันแต่ถ้าเราหัดหัดชอบมันเลยหัดทาใจว่ า, าต้องอยู่กับมันเพราะมันไม่หนีเรามไม่ยอมไป เราก็ทําใจยินดีต้อนรับมันเสียออ ส, สัตเพสัตตาแผ่เมตตาให้มันเออถ้าอยากจะอยู่ก็อยู่ไปไม่ห้ามไม่ไล่ไม่ขับไล่ไม่ขับไล่สายส่งเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวถึงเวลามันก็หมดก็ไปทําใจอย่าไปอยากให้มันหายทําใจอยู่กับมันให้ได้หมดแล้วยังคําถามจากคุณปานิสา เวลาเดินจงกรมจําเป็นไหมคะว่าเวลาเดินต้องหันกลับซ้ายหรือขวาหันกลับเข้าหรือออกค่ะต่ อ, อไม่เวลาเดินจงกรมค่อมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าเวลาสิงสุดทางแล้วก็เลี้ยวกลับหันกลับแล้วก็มองางไปข้างหน้าต่อคําถามจากคุณทวิชาอยากเรียนถามประสบการณ์การปฏิบัติของพระอาจารย์ว่าการปฏิบัติที่บ้านด้วยตัวเอง กับการปฏิบัติที่วัดต่างกันอย่างไรคะและเมื่อมีความเพียรเหมือนกันไหมคะอ๋อปฏิบัติที่บ้านก็เหมือนรักษาตัวที่บ้านเนี่ยกับปฏิบัติที่วัดก็เหมือนกันรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยความพร้อมมันไ ม, ไม่ไม่เท่ากันรักษาที่บ้านก็ต้องมียากินอย่างเดียวนะถ้ารักษาที่โรงพยาบาลก็มีหมอมียามีพยาบาลมีเครื่องไม้เครื่องมือครบคันนั้น การรักษาตัวถึงมักจะไปรักษาตัวกันที่โรงพยาบาลไม่รักษาตัวกันที่บ้านนอกจากเป็นโครคภัยไข้เจ็บที่ไม่ดุนแรงการปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าปฏิบัติแบบพอหอมป่ากหอมคอก็ปฏิบัติที่บ้านก็ไม่ต่างกับการไปปฏิบัติที่วัดแต่ถ้าอยากจะปฏิบัติเข้มข้นก็ต้องไปปฏิบัติที่วัดเช่นมาอยู่วัดเจ็ดวันนี่เห็นไหมมีเวลาปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนเลย ถ้าอยู่ที่บ้านนี้เดี๋ยวอาจจะมีไอ้นูน่นไอ้นี่มาคนนั้นมาเยี่ยมคนนี้มาอะไรมาชวนไปทำนูน่นทำนี่ถ้าใจเราไม่เข้มแข็งเดี๋ยวก็เราก็อ่อนไหวไปตามเขายังนงการปฏิบัติต้องปฏิบัติที่วัดจะดีกว่าปฏิบัติที่บ้านยกเว้นว่าที่ที่บ้านเราปฏิบัติเป็นเหมือนวัดคือไม่มีอะไรมารบกวนไม่มีทีวีไม่มีอะไรไม่มีคนไม่มีอะไรเหมือนกับอยู่ที่วัด อันนี้ก็เรียกว่าเป็นวัดไปก็ได้แต่ก็ยังต้องมีอาจารย์ถ้าอยู่ที่บ้านอาจจะไม่มีอาจารย์หรือถ้าเป็นอาจารย์ก็เป็นแค่หนังสือแต่ถ้าไปอยู่ที่วัดนี่มีอาจารย์นี่ท่านจะคอยดูเราถ้าท่านเห็นว่าเราทำอะไรไม่ถูกท่านก็จะเตือนเราได้ทันทีแต่ถ้าเป็นหนังสือนี่ท่านหนังสือเป็นอาจารย์นี้ท่านเตือนเราไม่ได้ท่านไม่รู้ว่าเราทาผิดหรือทาถูก การไปอยู่ที่วัดมันต้องดีกว่าการอยู่ที่บ้านแน่นอนคำ ถ, ถามจากคุณพีโกความไม่รู้ทําให้เกิดความคิดผิดๆมากมายเราต้องระวังความไม่รู้อะไรบ้างคะก็ต้องไปอยู่กั บ, กบครูบาอาจารย์เนี่ยแล้วเขาจะคอยเตือนเราเวลาทําอะไรผิดเขาก็จะบอกว่านี่ไม่ถูกสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือศีลเนี่ยเรามีศีลหรือเปล่าเราทําถูกหรือทําผิดเนี่ย มีศีลห้าหรือเปล่ามีศีลแปดหรือเปล่ามีสติหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราควรจะรู้เรารู้ถูกรู้ผิดรู้ดีรู้เชื่อรือเปล่าทำอย่างสิ่งที่ให้รู้มีอยู่เจ็ดอันพระพุทธศาสนาสอนให้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะรู้ประมาณนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ รู้เหตุรู้ผลก็คือเนี่ยเหตุก็คือการกระทำของเราการกระทำต่างๆที่เราทำนี้เป็นเหตุทำแล้วก็จะทำให้เกิดผลก็คือความทุกข์หรือความสุขไปขโมยเงินเข้ามาแล้วสุขหรือทุกข์อาจจะสุขตอนต้นตอนที่ได้เงินมาพอใช้เงินหมดแล้วทุกข์ตามมาแล้วกลัวกลัวจะถูกจับเข้าคุกเข้าตรางหรือถูกจับเข้าคุกกระลางไปก็ทุกข์ใหญ่เลย นี่คือเหตุผลต้องรู้ว่าทาอย่างนี้ได้ผลอย่างนี้เรียกว่าเหตุรู้เหตุรู้ผลรู้ตอนก็รู้ว่าเราเป็นใครเราเป็นหญิงเป็นชายสมัยนี้บางทีไม่รู้กันเนี่ยเป็นหญิงก็ชอบทำตัวเป็นชายทำตายก็ชอบทำตัวเป็นหญิงนะมันก็เลยวุ่นวายกันไปหมดต้องรู้ว่าเราเป็นใครสถานภาพมันมีหลายสถานภาพ เป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่นะเป็นลูกหรือเป็นพ่อเป็นแม่เมันต้องรู้ฐานะของเราเราจะทําตัวของเราให้เหมาะสมกับฐานะของเราบางตัวให้ถูกต้องรู้บุคคลก็รู้คนอื่นคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยว่าเขาเป็นใครเขาเป็นพ่อเราแล้วเป็นเพื่อนเราไม่ใช่เอาเพื่อนมาเป็นพ่อเอาพ่อมาเป็นเพื่อนใช่ไหมมีการกระทําปฏิบัติต่อคนต่างๆไม่เหมือนกัน เขาใหญ่กับเราเขาโตกับเราหรือเขาเล็กกับเราหรือเขาเท่าเราเนี่ยการการปฏิบัติต่อบุคคลต่างๆมันไม่เหมือนกันก็ต้องรู้บุคคลรู้สังคมก็รู้ว่ากฎกฎกติกาของสังคมที่เราไปอยู่เขามีกฎอะไรบ้างอย่างมาที่นี่มาแล้วมาเปิดเพลงฟังกันได้ปะเปิดมือถือมันไม่ได้ใช่ไหมมาที่นี่ก็ต้องนั่งเงียบๆนั่งเฉย ๆ, เ, ฉยๆเขาเรียกว่ารู้สังคม แล้วก็รู้กาลเทศะก็ต้องรู้ว่าเวลาไหนควรจะทำอะไรเวลาไหนไม่ควรทำอะไรบางทีคนก็กำลังนั่งสมาธิอยู่มาถึงก็มาโวยวายอย่างเงี้ยก็ไม่ควรเรานั่งสมาธิเราก็ต้องนั่งสมาธิกับเขาไปถ้าเขาไปไปไปโลกไปไปบาร์ไปผับเขาเต้นรำเราไปนั่งสมาธิมันก็มันก็ไม่ได้นีมันไม่ถูกกาลเทศะ ข้าสุดท้ายรู้ประมาณก็คือรู้ความพอดีไม่มากไม่น้อยในการใช้สอยสิ่งต่างๆปัจจัยสี่เช่นเสื้อผ้าไม่ให้มากเกินไปร่างกายมีร่างเดียวเอะจะต้องมีสักกี่ชุดกันอรองเท้าจะต้องมีกี่คู่กันเอรู้ประมาณกินอาหารก็กินพออิ่มพอให้ดับความหิวได้ อ, อยากไปกินทําให้ร่างกายมันเป็นตุ่ม <laughs> <laughs> นี่คือสิ่งที่ควรรู้ถ้าไม่รู้ว่าควรศึกษาดูนะแล้วเราจะได้ทําตัวให้เราเหมาะสมแล้วเราจะมีแต่ความสุขอีกข้อหนึ่งก็แล้วกันคําถามจากคุณชลินค่ะสติปฐานสมีวิธีปฏิบัติยังไงครับก็ <laughs> เริ่มต้นที่พุโทโธไงอ่าพุโทโธกันถ้าหัดสร้างสติขึ้นมาก่อน เราจะสติปัฐานสีนี้มีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาขั้นขั้นไปสีขั้นด้วยกันขั้นกายขั้นเวทนาขั้นจิตขั้นธรรมแต่ก่อนจะไปถึงปัญญาได้ต้องมีสติก่อนอย่างที่วันนี้เทศเริ่มตนม้นเราต้องเพียรสร้างสติก่อนพอมีสติแล้วเราก็จะนั่งสมาธิได้ดูลมหายใจเข้าออกได้จิตสงบพอจิตสงบเราก็จะ ออกจากสมาธิจิตก็จะไม่ไม่ฟุ้งซ่านจิตก็จะไม่คิดไปในทางกิเลสเราก็ดึงจิตมาคิดทางปัญญาได้มาคิดทางตายรักได้อันนี้จังทุกขงังเงาตามาคิดอาการสามสิบสองของร่างกายได้แล้วพอเรามีปัญญาเราก็จะดับความหลงได้ดับความอยากต่างๆได้แล้วดับความทุกข์ต่างๆได้ให้เริ่มต้นที่พุทธโธฝึกสติสร้างสติขึ้นมาก่อน คำสติคําเดียวเนี่ยมันสั้นแต่เวลาปฏิบัติจริงๆปฏิบัติกันเป็นปีต้องทํานี้ทุกวันตื่นขึ้นมาก็พุทโธไปทั้งวันเนี้ถ้าทําได้เจ็ดวันก็ได้พุทธเจ้ารับประกันถ้าพุทโธได้ทั้งเจ็ดวันได้ทั้งทั้งวันเจ็ดวันก็บรรลุได้อลองทําดูสิเออพุทโธได้ทั้งวันนั่งสมาธิก็รวมเลยพอรวมออกมาพิจารณาตายลักได้เลยก็บรรลุได้ภายในเจ็ดวัน เอาแล้วนะเรื่องจากคถามเมื่อกี้ค่ะบอกว่าปฏิบัติที่บ้านกับที่ว่าทีนี้มีคาถามน้ก็คือว่าปฏิบัติอย่างนวัทำสคัญทางศาสนาเนคะปฏิบัติที่วัดปฏิบัติบ้านท้าเราทุกอย่างเหมือนกันเนียอันนี้ส่งเหมือนกันคะถ้าทาเหมือนกันก็อันนี้ส่งเหมือนกันก็ดูที่ผลไงก็คือความสงบกันดู ต้องน้องเปรียบเทียบดูทำที่วัดกับทำ ท, ที่บ้านอันไหนทังบกว่ากันเพราอย่างปกติวันสําคัญทางาศาสนาเนี่ยคนจะเยอะอเอก็ไปหาวัดไปวัดที่ไม่คนไม่เยอะสิมีวัดป่าที่อยู่ไกลไกล ก, ล ก, ลกลันดานนี่เขาไม่มีวันผง <c oughs> ไม่ค่อยมีคนไปกันแต่มีน้อยต้องต้องหากัน <c oughs> แต่ถ้าถ้าคิดว่าไปวัดแล้วมันวุ่นวายก็อยู่บ้า น, <c oughs> านก็อยู่บ้านไป ก็ดูที่ผลว่าสงบมากกว่ากันหรือเปล่าอันไหนอันไหนสงบกว่าก็เอาอันนั้นอกอ็กออ น, นั่นแหละการที่สมก็คือความสงบเนี่ยเราปฏิบัตินี้ก็เพื่อความสงบเอาแล้วนะก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าการท ง, ย, งยิ่งขึ้นไปเท่าน